ยามันค่ะแล้วก็มีเมื่อเมื่อปีใหม่ที่ซิเมตมากราบท่านแล้วทำไว้แล้วก็ส่งาให้ท่านการตรวจค่ะอกับตัวหนังสือที่คณะของลูจะจัดพิมพ์ขึ้นสำหรับการที่มาเนี่ยจะขออนุญาตใช้ชื่อหนังสือว่าจุลธรรมได้ไหมทุกค่ะ ่ก็เป็นช้ยาของท่านอาจารย์ได้เลยนี่ชาเขียวที่สุเวก็ทำช่วยให้เขาให้องส่งเป็ีไหมได้ร่วมกันชอใจเพราะเราต้องเข้าไปพินไหม่ทีนึงพินไม่เป็น ยาที่เขดเลเป็นท uh, right. ี่มามันจะช้าให้เขาให้เขาให้มนให้นจะได้แก้ได้เลยอันนี้เป็นอันใหม่อันใหม่ที่เราขที่เพิ่มการกัรเดินที่แล้วไปก่อนเดิละกันจะทำท่าไหร่ได้ยแต่มีอันแรกเล็กนิดนึงที่มีการที่เจ็บที่คุณมี้วมาเรื่องามาด้วย ได้รวมกันครับไปไปรวมกันครับไปเปไงทุกคนสบายดีดีไหมด้วยเมื่อสองที่ก่อนคือไปเชียงใหม่มาตาท่านใดทำวัตถดิหือวิธีเปดวัตถุด อันนี้ท่านกลับไปที่ต้นานตาได้ครับกลับไปเมื่อวันเมื่อวานแล้วปะัะสองวันก่อนก็ไปในเว็บเดิมอยู่ที่แพร่อยู่ก็คนเวลาก็ผ่านไปนะนเาขาไม่ได้ยาสอนได้เราถามตัวเราเองว่าวันคืนล่วงผ่านไปเราทําเราเรากาลังทําอะไรกป็นอยู่ กำลังทำสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราทำหรือไม่ในพระปชิมาว่าที่ทรงกล่วว่าสังฆามทั้งหลายเป็นของโทก่ยังยังประโยชน์ตนและท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประหนักเถิดนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะเพื่องสติให้อยู่ในเรื่อง เพราะเวลามันเหมือนกับน้ำที่มันไหลเวลามันไม่ไหลกลับมาเวลานี้เป็นสิ่งที่มีค่ามากเพราะเราต้องอาศัยเวลาเวลาที่เราจะทําประโยชน์เราก็ต้องมีเวลาถึงจะทําได้มีเวลามันจะมีไม่มีส่วนหนึ่งก็อยู่ที่เราเพราะเราทุกคนมีเวลาเท่ากันคือวันละยชั่วโมงเหมือนกัน เราจะใช้เวลา24ชั่วโมงนี้ให้มันเกิดประโยชน์ก็ได้ห้มันเกิดโทษก็ได้ที่ตัวเราถ้าจิตใจของเราคอยำรำลึกถึงนสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอยู่เรื่อยๆเราก็จะใช้เวลาให้เกิดผลประโยชน์ได้แต่ถ้าเราห่างไกลจากสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ความมืดบอดคือโมหะอภิชามันก็จะพู้นางเข้ามาครอบงาจิตใจเราก็จะทําให้เราคิดไปในทางโลกในทางสนุทยัยในทางสะสมความทุกข์ขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้สึกตัวโดยที่เราเรียดว่าเรากําลังคิดในสิ่งที่ดีกําลังสร้างในสิ่งที่ดี แต่สิ่งที่เราคิดว่ามันดีนะั้นมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีจริงตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าส่วนใหญ่เราก็มักจะสร้างเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องเลีอบฐานบรรดาศัตว์เหล่านี้แต่มันไม่ได้เป็นสิ่งที่จีิงทางเาวาแต่มันไม่ได้เป็นอาหารของใจอย่างแท้จริงมันเป็นยาพิษที่มากกว่าเพราะด้วทยท่าเสก พวกราบยกแต่ละแสงสุดคือกา้ามสุดมากเข้าไปเท่าไหร่ก็จะ ม, มีแต่ความทุกข์มากขึ้นไปเท่านั้นคือจิตใจจะ ม, มีแต่ความรุ่มร้อนมีแต่ความโกลงโวายมีแต่ความวุ่นวายใจแต่ถ้าเราคิดถึงธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าคิดถึงอาหารของใจคือธรรมะ การปฏิบัติธรรมป็นการทำอย่างห้ทานรักษาศีลสองเราก็จะได้สะสมสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์กับจิตใจอย่างแท้จริ ง, งเพราะทากับใจนี้เป็นของคู่กันเรือของที่ใจต้องพึ่งพาศัยคือธรรมถ้าใจมีธรรมแล้วใจก็เย็นใจก็สกใจก็อิ่ม ธาตมีตาเกิ็ดดุ่มเราคือความโลภโมโทสันดุมแล้วจิตใจก็จะมีแต่ความร้อนมีแต่ความวุ่นวาใจทําการกองเงินกองทองกองตําแหน่งที่สูงสูงนี่แหละมันจะไม่มีความหมายเลยสาหรับจิตใจเวลาจิตใจที่มันรุ่มร้อนเงินทองมากมายเท่าไรก็ไม่สามารถที่จะดับมันได้นะ มีตำแหน่งสูงขนาดไหนเป็นถึงข้ามหาทศรรย์นึกกันประธานาธิปดีเป็นนายยกวัตถุมงคก็ไม่สามารถที่จะหลีพ้นจากความทุกข์ความวุ่นวายใจได้แต่ถ้ามีธรรมแล้วความวุ่นวายการมันจะไม่ค่อยปรากฏ ห, หรือก็ไม่มีเลยก็ได้ถ้าจิตเป็นดวงจิตที่มีธรรมทั้งร้อย เป็นเป็นเป็นธรรมครั้งแรกแล้วก็ก็จะไม่มีไม่มีช่องที่จะให้ความรุ่มร้อนนั้นเข้าไปเส็งอยู่ในจิตในใจยด้ผู้ใดที่ได้ศึกษาแล้วประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วจนได้เห็นธรรมบ้างจนได้เห็นผลบ้างแล้วจะเริ่มเข้าใจเห็นความสําคัญของความจําเป็นของธรรมแก่ใจ แต่ผู้ใดที่ยังไม่เคยได้สัมผัสกับผนของการปฏิบัติเลยจะไม่ค่อยเข้าใจถ้าทำไปก็ทำไปสัก ต, ต่ว่าทําคือมีจิตสัทธาแต่ทำแบบยังไม่เหมือนกับคนที่ยังไม่ได้เห็นของจริงถ้าเป็นคนทำงานก็ยังไม่ได้ไม่เคยรับเงินเดือนที่จริงก็ทำไปไม่รู้ว่าขึ้นเดือนตอนน่าจะ คเงินเดือนเดือนละเท่าไหร่แต่ถ้าได้รับเงินเดือนสักครั้งหนึ่งแล้วก็จะเริ่มเห็นคุณค่าของการงานที่ตนเองทําอยู่ก็จะเกิดมีสันทะมีวิเยะตามมาแต่เริ่มต้นก็ต้องอาศัยศรัทธาเป็นตัวผลักดันไปถึงแม้ทาไปแล้วยังไม่ได้สัมผัสกับผลที่ได้กระทําก็ขอเชื่อว่า สิ่งที่เราทํำกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญทำทานการรักษาชิงการภาวนานั้นจะเป็นผลที่ดีที่เลิ่กับตัวเรากับใจเรามากมน้อยเพท่าไรก็ตามแต่ถ้ า, ายังไม่สัมผัสกับผลนั้นเราก็ยังจะไม่ค่อยมีกําลังจิตกําลังใจเท่าไหร่ก็ต้องอาศัยการบังคับจิตใจด้วยศรัทธาความเชื่อ เชื่อในพระพุทธเจ้าก็ดีเชื่อในพระพธรรมคําสอนก็ดีหรือเชื่อในพระอริยสงสารเวก็ดีว่าการประพฤตปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ดีที่วิเศษที่สุดกว่าสิ่งอื่นใดในโลกนี้ถึงแม้จะหมดเงินหมดทองหมดเนื่ อ, หองห ม, อหมดตัวจากการทํางานแต่จากการทําบุญจากการทําความดีจากการไปฏิบัติธรรม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 เรียกว่าเป็นอริยสัพพะได้นี่คือสิ่งที่จะติดตัวไปกับจิดกับใจถ้าเรามีนิสัยทําบุญทําทานนิสัยนี้ก็จะติดตัวกับเราไปเรามีนิสัยรักษาศีลมันก็จะติดตัวเราไปเรามีนิสัยนัภาวนานิสัยฟังเทศน์ฟังธรรมมันก็จะติดตัวเราไปแล้วจะเวลาเราไปเกิดชาติหน้าเราจะไปทําสิ่งอันนี้มันก็จะง่าย ไม่ต้องฝืนเพราะเราเคยทํามาแล้วเป็นนิสัยของเราเหมือนกับคนที่ถนัดมือขวาไปเกิดชาหน้าก็จะถนัดมือขวาอีกคนที่ถนัดมือซ้ายไปเกิดชาตหน้าก็จะถนัดมือซ้ายคนที่เป็นอัจฉริยะไปเกิดชาตหน้าก็จะเป็นเด็กอัฉริยะเพราะสิ่งเหล่า น, นี้มันติดไปกับจิตกับใจมันเป็นคุณสมบัติเฉพาะตน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 มันก็จะเป็นตัวที่จะฉุดหน้าให้เราไปในทางที่ไม่ดีไนครกหน้าชาบหน้าต่อไปดังนั้นถึงงานในชาตินี้เราจะไม่สามารถที่จะปฏิบัติเห็นผลถึงขั้นพระอรยะิยผลก็ล่าแตกแต่ถ้าเราพยายามทำไปเรื่อยๆ อ, อย่างน้อยเราก็จะได้ฝูงนิสัยที่ดีไว้เพื่อที่จะได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราได้ก้าว ขึ้นไปสูงทำขั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆในการเกิดของเราแต่เระพบแต่ละชาติและถ้าเราปฏิบัติตามแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วภกชาติของเราก็จะเป็นเพศชาติที่ดีคือเป็นสุขติผู้ที่มีสุขติก็คือผู้มีศีลมีธรรมเนี่ยผู้ที่จะไปเกิดในสุขติก็คือผู้ที่มีศีลมีธรรมนั่นเอง ดัง น, นั้นถึงแม้ว่าเวลาเราปฏิบัติไปทําไปจะมีความรู้สึกว่ามันยากก็พุ่งทาไปเพราะเรากําลังปลูกฝังนิสัยใหม่นิสัยของโพธิศัพท์นิสัยของพระอริยเจา้ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่ เ, เป็นธรรมชาติของปุถุชน ธ, ธรรมชาติของปุถุชนก็คือ ที่ใชของแห่งความโลภโมโทุสันเราจึงเป็นปุจุชนกันเพราะเรามีความโลภความโกรธความหลงเป็นเหมือนกับปัญญาดาอยงที่เราได้ยิ น, น, นว่าในธรรมที่ท่านสอนว่าอวิชชาปัจจะยาสังขาราจิตของเราเรานี้มีอวิชชาเป็นผู้ทําให้เราคิดถ้าเราคิดด้วยอวิชชาเราก็คิดด้วยความหลงด้วยความเห็นผิดเป็นชอบ ทุกข์ด้วยมิจฉาทิฏฐิเห็นเงินทองเห็นลาบยศเห็นแต่ละเสริญเห็นกามาสุขว่าเป็นสิ่งที่น่าพึงปรารถนาเหมือนกับปลาที่เห็นเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเพาเป็นอาหารอันโอชะแต่หารู้ไหมว่าเมื่อได้ตะคุกเหยื่อที่ติดอยู่ปลาเบ็ดนั้นแล้วก็จะต้องถูกเบ็ดนั้นเกี่ยวที่คอทําให้ทุกข์ทรมานอย่างยิ่ง นั้นดรอบยุทตสรสริญ ส, ส, สุก็เป็นเช่นนั้นถ้าเราต้องเสพเราก็ต้องระมัดระวังต้องรู้ว่ามันมีเบ็ดซ่อนอยู่ภายใต้เหยื่อนั้นต้องกัดแบบฉลาดไม่ใช่กัดที่ทั้งคำค่อยๆเล่นมันคือมือเราต้องรู้ว่าเมื่อเรายังต้องอยู่ในโลกนี้เรายังต้องพึ่งพาสายเ ง, งินทองเป็นสิ่ง ที่จาเป็นเพราะเราต้องมีปัจจัยสี่เราก็ต้องมีเงินทองเป็นเครื่องซื้อหามาแล้เราต้องระมัดระวังอย่าไปหลงกับการมีเงินมีทองจนคิดว่าการมีเงินมีทองนี้เราเป็นสิ่งที่บรรดาลความสุขให้กับเรามันบรรดาลได้ก็แค่เพียความสุขของกายคือการมีอาหารรับประทานเวลาที่เราหิว มีเสื้อผ้าใส่มีบ้านอยู่มียารักษาโรคเงินทองมันสามารถบรรดาให้กับเราได้เพียงเท่านี้แต่ถ้าต้องการความสุขที่มากกว่า น, นี้แล้ว ม, มันไม่ใช่เป็นความสุขมันเป็นความสุขแบบปลาที่คุกเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดนั่นแหละเวลาได้ใช้เงินใช้ทองแบบสนุกสนานเฮฮามันก็มีความสุขชั่วขณะที่ใช้ไป เมื่อมันผ่านไปแล้วเงินทองก็หมดไปด้วยทั้งต่อไปมันก็อยากจะมีความสุขแบบนี้ถ้าเงินทองไม่พอที่จะเอาไปใช้ซื้อความสุขแบบที่เราเคยได้สัมผัสความสุขมันก็ไม่มามันก็จะมีความทุกข์แทนที่แล้วยิ่งถ้าไม่มีเงินทองเลยก็จะเดือดร้อนดังนั้นเราต้องใช้ปัญญา ว่าเราอยู่ในโลกนี้มันมีสุขที่เป็นสุดแท้และสุดปลอมสุขกรอมก็อย่างที่พูดไว้สุดที่เกิดจากการใช้เงินใช้ทองเพื่อเสพรูปเสียงกลิ่นรสโลสัพพะที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกร่างกายเสพไปแล้วสัมผัสแล้วเกิดเวทนาคือความสุดแล้วแล้วมันก็หมดไปแล้วก็เกิดความอ้างวาง้างเปล่าเปล่ยว ความอยากที่จะเสพมันอีกเป็นเหมือนกับยาเสพติดยาเสพติดนี้คนที่ไม่เสพนั้นสบายกับคนที่เสพเพะคนที่เสพนี้จะต้องเสพอยู่ตลอดเวลาจะต้องไปหามาเสพอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่ได้เสพยาก็จะทุ่งทุรายจะทรมานจิตใจแต่คนที่ไม่ได้เสพยาเสพติดนี้ก็ mm. อยู่อย่างสบาย ไม่มียาเสพติดก็ไม่เดือดร้อนอะไรมีก็ไม่ได้ผิวไม่ได้อยากด้วยเหมือนกับการมาสุดที่คนที่เสพกับคนไม่เสพคนที่ไม่เสพก็อย่างพระอริยะเจ้าั้งหลายท่านไม่ได้เสพเรื่องการมาสุกเลยแต่ท่านกลับมีความสุขมากกว่าคนที่เสพท่านไม่ต้องไปดิ้นรนหาเงินหาทองแล้วก็ดิ้นรนกับการใช้จ่ายเงินทองนี้ เพื่อให้ได้มาเส่อความสุขแบบนั้นท่านอยู่เฉยๆท่านก็มีความสุขแล้วเพราะจิตของท่านไม่ได้หิวไม่ได้อยากไม่ได้ติดกับการเสพเรื่องความสุขแบบต่ อ, ตอนั้นเพราะจิตของท่านได้พบกับความสุขที่แท้จริงคือการเอาชนะความอยากที่จะเสพความสุขทางทางกายนั่นเองจิตเวลาที่มันสลับ ความอยากกระเสดการรู้สึกได้มันก็จะสงบสงัดขึ้นมาเรียก ว, ว่าเป็นจิตที่สงบจิตสงบเมื่อไรก็จะมีความสุขเมื่อนั้นมีความเยน็นมีความสบายมีความเบาเหน่วยกับได้ปลดเรื่องภาระต่างๆที่แบกไว้บนบ่าออกจาก บ, บ่าไปสิ่งที่กดดันพวกเราซึ่งเป็นเหมือนกับภาระก็ ค, คือ คามตันหานี่แหละคือความอยากในการเป็นเรื่องต้นแล้วรวมไปถึงตันหายสองอย่างคือภาวะตันหาความอยากมีอยากเป็นยกวิภาวะตันหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นหรือความกลัวในสิ่งต่างๆที่เราไม่ตัดทันหากันอย่างนี้เป็นเหมือนกับภาระกฏ ด, ดังจิตใจของเราแต่ถ้าเราสามารถต่อสู้ ด้วยการภาวนาด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิและปัญญาเราจะสามารถทำลายไอ้ความอยากเหล่ า, านี้ให้ออกไปจา ก, จากจิตจากใจได้ถ้ามันไม่มีอยู่ในใจเราแล้ ว, ลวก็เหมือนกับไม่มีอะไรมากดดันเร า, าสร้างความทุกข์สร้างความกังวลใจสร้างความหิวสร้างความกระหายให้กับใจของเราใจของเราก็จะเป็น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 กัวงวลใจอยู่กับสิ่งต่างๆเหละนะ่านั้นเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะอยู่กับเราไปตลอดหรือไม่มันจะจากเราไปเมื่อไรเราก็ไม่รู้แล้วเราก็รู้ว่าเวลามันจากเราไปเราก็ต้องเศร้าสศกเสียใจเพราะเราอาศัยสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นเครื่องให้ความสุขกับเรามันจริงไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงมันเป็นความทุกข์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 ถึงแม้จะเคยได้ยินได้ฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆแต่พอออกจากวัดไปไม่กี่นาทีมันก็ลืมแล้วมันก็โดนความคิดแบบเดิมๆมากรบ ม, มันมีอํานาจมากเราจึงต้องภาวนาอยู่เรื่อยๆอย่างที่พี่เจ้าทรงสอนพระอานุ์ว่าอา น, นุ์เธอต้องพิจารณาความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกจะได้ไม่หลงยึดติดอยู่กับ สิ่งต่างๆในโลกนี้เพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จีรังขาวรมันไม่ใช่เป็นสาระขอ ง, งจิตใจถ้าเธอคิดถึงความตายแนละ้วก็จะทําให้เธอไม่สบายเธอจะได้เร่งรีบเร่งขวนขวายสร้างสารณะให้เกิดขึ้นภายในใจด้วยการปฏิบัติธรรม้วยการภาวนา ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเราก็จะต้องหลงอยู่กับการไปทํางานทําการเนื่อได้งานได้เงินมาแล้วก็นั่งคิดว่าจะเอาวันนี้ไปเที่ยวที่ไหนดีเอาไปซื้ออะไรดีไอ้เรื่องที่จะไปทําบุญเอาไปสียสนามนี้เป็นเรื่องสุดท้ายเพราะส่วนแรกเรื่องความอยากจะหาความสุขจากการเสดลูกเสียงกินรสพวดตาพานี่มันจะมา ก, ก่อดังนั้นเราต้องพยายาม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 คนที่ให้ความสุขกับเราเราก็ต้องมีความผูกพันมีความทวงใหญ่มีความยึดติดกับในตัวคนนั้นเขาเคยให้ความสุขกับเราเราก็ต้องหวังว่าเขาจะให้ความสุขกับเราไปเสมอถ้าเกิดวันดีคืนดีเกิดเขาไม่ได้ให้ความสุขกับเราเราก็จะต้องเสีย อ, อกเสียใจยเราก็บังคับเขาไม่ได้ด้วยเพราะคนเราทุกคนก็มี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 ทุกเบื้องต้นแล้วให้มบืสุดเมื้องปลายดีกว่าที่จะสุขตอนต้นแล้วต้องมาทุกตอนปลายทุกจากการปฏิบัติธรรมนี้มันเป็นความทุกข์เพื่อความสุขที่แท้จริงที่จะตามมาต่อไปยังเป็นสิ่งที่ยากของยุทธชรอย่างเราทั้งหลายที่จะเข้าสืงถึงธรรมะกันได้เพราะเราต้องทุกข์ก่อนถึงจะสุขไม่เหมือนกับทางโลกคือสุขก่อน เราก็คือเหมือนกับซื้อของก็เอาของมาก่อนเราค่อยจ่ายบานทีหลังนี่คือทางโลกเป็นอย่างนั้นซื้อเงินผ่อนได้ผ่อนได้แต่ทางธรรมะนี่ต้องจ่ายให้หมดกถึงจะได้ของมันจึงทําให้รู้สึกว่ามันไม่น่าไม่อยากที่จะไปทางธรรมะเท่าไหร่กวาจะได้ธรรมะทีนี้วิ้นแทบห้อย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 เน่เหมือนกับเราที่อยู่ที่ด้านเรามีพร้อหมดไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์เครื่องปรับอากาศตู้เย็นอะไรต่างๆนั้นล้วนเป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาเสมอคือเวลาที่เราจะต้องจ่ายบินเวลาที่เขาส่งบินมาให้เช่นโทรศัพท์ผู้เย็นก็มีบินมาไฟฟ้าก็มีบินมาน้ำไฟต่างๆก็มีบินมาก็ต้องจ่าย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 มันกลายเป็นนิสัยไปมันก็กลายเป็นความทุกไปวันไหนไม่ได้นั่งนานๆไม่ได้เดินจงกรมแล้วรู้สึกว่ามันขาดอาหารขาดขาดอะไรไปเหมือนกับคนที่เคยกินของเผ็ดๆเวลาวันไหนไม่ได้กินของเผ็ดแล้รู้สึกว่าอาหารแจะไม่มีรสมีชาตวันใดความทุกข์ที่เกิดจา ก, กจากการปฏิบัติก็เป็นเหมือนกับของเผ็ดๆที่เรารับประทาน ถ้าเราไม่เคยรับประทานของเผ็ดนี่เวลารับประทานครั้งแรกจะรู้สึกทรมานมากพริกนี่มันจะเผ็ดร้อนทีเดียวแต่ถ้าเรารับประทานไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดความชินขึ้นมาและพอวันไหนไม่ได้รับประทานของเผ็ดก็จะรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปดังนั้นจึงอยากให้ยิ่งอยากไปกลัวความทุกข์ที่เกิดจากการทําความดีเกิดจากความ กวามทุกข์ความยาก ล, ลําบากที่เกิดจากการทําความดีไม่ว่าจะเป็นการเสียสละการทําบุญให้ทานหรือการรักษาศีลหรือการปฏิบัติธรรมที่จะต้องไปอยู่ตามสถานที่ที่ไกลความเจริญไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ําประปาอยากน้ำก็ต้องไปที่น้ำที่บอ่อจะใช้ไฟก็ต้องจุดเทียนได้ไปใช้อย่างนี้ ไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องไปคิดว่ามันเป็นอุปสรรคคิดแต่ ว, ว่ามันเป็นการลงทุนลงทุนเพื่อเราที่จะได้ผลอันเลิศอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์คาถลกทั้งหลายท่านได้รับกันมามันคุ้มค่าเมื่อเราได้รับผลแล้วความเหน็ดเหนื่อยเมื่อลาต่างๆมันจะหายไปเหมือนกับการเดินทางที่มีระยะทางที่ไกลที่เราต้องเดิน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 แล้วมันก็จะรวมตัวเป็นสมาธิเป็นหนึ่งที่เรียกว่าสักแต่ว่ารู้อยู่ร่างกายตอนนั้นก็ไม่มีอยู่ในความรู้สึกหรืออาจจะรู้ว่าเป็นเหมือนกับเป็นท่อนไม้ท่อนฟืนไปเท่า น, นั้นเองใจมันก็จะรู้ว่าร่างกายนี้มันยังไงยังไงมันก็ต้องเป็นไปตามเรื่องของมันแากการกับลองที่ใจที่รู้กับใจที่หลงเท่านั้นเอง ใจที่รู้ก็จะเฉยๆไม่ได้ไปวิตกไม่ได้ไปกำวนกั น, กนแต่ใจที่ไม่รู้ก็จะวุ่นวายเวลาเวลาหมอบอกว่าจะต้องตายนะเหลืออีกสามเดือนยังไม่ทานตายเลยเพียงแต่ได้ยินคำพูดแค่นี้ก็ใจนี้แทบจะสลายตายไปก่อนแนละ้วทั้งทั้งที่ใจก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ตายไปสิ่งที่ตายไปก็เพียงแต่เป็นร่างกายซึ่งก็เป็นเหมือนกับ สาลาหลังนี้ที่เรานั่งอยู่เนี่ยมันก็เป็นเป็นธรรมชาติอันเดียวกันมันเป็นวัตถุเหมือนกันมาจากดินน้ำลมไปเหมือนกันสาราสาราาหลังนี้มันพังไปมันก็เราใจของเราก็ไม่ได้ไปวุ่นวายกับมันว่เาเราไม่ได้ไปหลงไปยึดไปติดแต่ถ้าใายเป็นเจ้าของสาราหลังนี้เป็นผู้สร้างขึ้นมากับมือเองเมื่อเห็นสาราหลังนี้ต้องถูกพังทลายไป ก็จะมีความเสียใจอยู่ในใจก็มีความผุกพันกันอยู่แต่ถ้าเราปฏิบัติเจริญสมาธิเจริญปัญญาแล้วเราจะสามารถตัดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นที่เกิดจากความหลงได้อุปทานนี้เกิดจากความหลงความเห็นผิดเป็นชอบเห็นในเสียงที่ไม่มีตัวตนว่าเป็นตัวตนเห็นร่างกายนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเรา นี้เกิดจากอวิชชาทำให้ปูแตกปงว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราแต่ได้ภาวนาแล้วจเจริญปัญญาแล้วก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นเราเป็นของเรามันเป็นอนัตตาเป็นอนิจจถ้าไปยึดไปติดมันก็จะเป็นทุกขงังมันก็จะทำให้เรามีความทุกข์มีความหุ่นวยใจ ดังนั้นการบําเพ็ญภาวนานี้จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งที่ได้ย่อที่ได้พิจารณาเบื้องต้นว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากําลังทำอะไรอยู่ก็คือเรากําลังภาวนากันอยู่หรือเปล่าเรากําลังเจริญสมาธิกําลังเจริญปัญญากันอยู่หรือเปล่าพิจารณารู้ว่าเป็นอนิจจาป็นของไม่เที่ยงเป็นเก่าแก่เจ็บตายหรือเปล่า ว่าเป็นธนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราหรือเปล่าถ้าเราพิจารณาแล้วความทุกข์ความวุ่นวายใจเกี่ยวกับร่างกายก็ยจะเบาบางลงไปถ้าเราพิจารณาจนเห็นชัดเจนและจนปล่อยวางได้มันก็จะไม่มีความกังวลกับความเป็นความตายของร่างกายกต่อไปแต่ถ้าไม่ได้พิจารณาเลยเพียงแต่ฟังอย่างวันนี้ฟังแล้วพอมัน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 เพราะกายมันรักษาอ่างในที่สุดมันก็รักษาไม่ได้มันต้องทิ้งไปอยู่ดีในที่สุดต่อให้มีหมอที่วิเศษขนาดไหนต่อให้เป็นมหาเศรษฐีมีเงินเหนึ่งล้านแสนล้านเงินเทองเหล่านี้ก็รักษาร่างกายนี้ไปไม่ตลอดทุกวันหนึ่งมันต้องไปแต่เศรษฐีนั่นมันจะวุ่นวายใจเพราะไม่เคยรักษาใจมาก่อนไม่รู้จักวิธีรักษาใจใจจะทรมานมากเวลาที่จะต้อง เห็นร่างกายนี้แตกดับไปแต่ผู้ที่ได้บำเพ็ญอย่างต่อเ น, นื่องอย่างพวกอย่างนักปฏิบัติทั้งหลายแล้วเขาะจะรู้สึกเฉยๆต่อการการเป็นการตายของร่างกายพอรู้อยู่แล้วพอปล่อยไปแล้วมันจะเป็นยังไงก็พร้อมที่จะรับกับมันได้ไม่ได้ไปหวังอะไรจากมันเพราะความสุขไม่ได้อยู่ที่ร่างกายคนที่ยังอาศัยตาหูจมูกลิ้นกาย พร ะ, ะเพื่อดูรูปเสียงกลิ่นรโพดทะพนั้นนะจะวุ่นวายเพราะต้องอาศัยร่างกายเวลาเราไปเที่ยวเราก็ต้องอาศัยร่างกายนี้ไปเที่ยวแต่คนที่ต้องภาวนาเป็นเขาเที่ยวเขาเที่ยวด้วยจิตตอนหลับตามันก็ไปได้เหมือนกันไปสบายกว่าไม่ต้องไปทําพาสปอร์ตไม่ต้องไปซื้อตัว๋วหรือบินไม่ต้องไปเบียดเสียดกับคนแย่งขึ้นระบินกันไปอย่างสบายไปทั้ง ไปได้ทั้งสามโลกเลยที่ เ, เรียกว่าโลกแห่งการยืนไหว้ตายเื่อนี้ไปได้หมดของจิตที่ภาวนาเปนแล้วเนี่เป็นสิ่งที่วิเศษมีอยู่กับเราแท้ๆอยู่ในตัวเราคือใจของเราแต่เราเกับไม่ดูแลไม่เหลียวแลเหมือนกับเป็นภรรยาน้อยหรือภรรยาหลวงก็สุดแท้แต่บางคนไม่ดูแลภรรยาหลวงก็ดูแลก็มีอำนาน้อยก็เหมือนกัน หรือไม่ให้ความสำคัญกับใจของเราแต่กลับให้ความสำคัญกับกายเืีอมากกว่ากายมันมีแต่จะทำยุ่ทซุ่มไปเรื่อยๆแล้วนอกจากกายแล้วแล้วยังไปไปพวงไปให้ความสำคัญกับกายของคนอื่นด้วยคนอื่นเขาจะเป็นอะไรก็เราก็จะเป็นจะตายไปกักเขาอีกนี่คือความบ้าของเราความเหนอนของเราที่จะมาดูแลรักษาใจ เราไม่ให้ใจมันต้องมาทุกข์ไม่ต้องมาวุ่นวายกับปีนต่างๆกับไม่มาดูแลโบแต่ไปดูแลเรื่องของคนอื่นเขาแล้วก็ไปทุกข์ไปวุ่นวายกับเขาเวลาเขาเป็นอะไรเขาตายจากไปเขาร้องผมร้องห้างกินไม่ได้นอนไม่หลับนี่เป็นเรื่องของอาวิชาทั้งนั้นที่อาวิชาก็เป็นยาสองสาราถ้าตัณเทศตัณ ท, ทำศึกษาแล้วนําไปปฏิบัติภาวนาให้ได้ ท, ทําจิตให้สงบจเจริญปัญญา จิดจารายลักอานิจังทุกข์ขาหน้าขาแล้วต่อไปมันจะหดเข้ามาจิตมันจะหดเข้าทําไงมันไม่ค่อยอยากจะไปวุ่นวายกับเรื่องอะไรทั้งหลายเพราะยังไงยังไงมันก็ต้องเป็นไปตามเรื่องของมันโลกมันเป็นอยู่อย่างนี้มาแต่นั่งเดิมมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายอยู่อย่างนี้มาอยู่ตลอดเวลาเราไปยุ่งกับมันเองนะครับพอเราไปยุ่งไปหนุงเราก็ไปอยากจะให้มันเป็นตรงกันข้ามกับที่มันเป็นอยู่ อยากจะไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันต่าอยอันนี้เป็นตอนซึ่งเป็นความบ้าแท้ๆถ้าพูดตามภาษาธรรมะแล้วมันเป็นความบ้าความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเท่าไหร่แต่เราก็ยังอดที่จะคิดที่จะอยากให้มันเป็นอย่างนั้นไม่ได้เนีย่ยคิดดูว่าละกันว่าความโง่เขาเรามันขนาดไหนแต่เราไม่เคยคิดกันเราก็คิดว่าเป็นสิน่งที่ที่ถูกที่ดีที่ควรเวลามีอะไรโอรีบ พยายามแก้กันแทบเป็นแทบตายลุ้นกันแทบเป็นแทบตายอย่างที่เป็นข่าวเมื่อวันเนี้ยเมื่อวานนี้มีอปาวานหลงขึ้นในทางในลําน้ําขึ้นไปทางกรุงลอนดอนทางกรุงลอนดอนก็กำลังยยหวงวิญญาณของไอ้ปาวานตัว น, นั้นพยายามที่จะช่วยมันให้มันกลับไปสู่ทะเลเรู้สึกวก็เข้าไปเอาเครนยกมันขึ้นมาจะเอาใส่เรือแล้วก็จะลากมันจะพามันออกไปกลางทะเลแต่มันก็ตายไปแล้ว เพราะว่ามันมันหลงมอนี้มันหลงทางะมันจากมันเคยอยู่แต่ในในมหาสมุทรที่ลึกที่กว้างใหญ่ไพศาลแล้วมันไปหลงติดอยู่ในลําน้ำในกระเข้ามาในลําน้าแม่น้ําเจ้าพยาเข้ามาในกรุงเทพนี้มันหาทางออกไม่ได้มันก็เครียดจัดเครียดทุกจัดจนกระทั่งมันไม่มีกําลังใจที่จะอยู่ต่อไปก็ตายเพราะว่าพเขาจะยกมันออกไป ยกใจเรือแล้วจะเอาเอาไปปล่อยกลางทะเลมันก็ตายซะก่อนคนทั้งคนทั้งเมืองคนทั้งประเทศอังกฤษเขาก็รู้เรื่อกันใหญ่้การช่วยเรือเจ้าป่าวางตอนนี้นี่มันก็มันจะว่าไม่ดีก็ไม่ไม่ไม่ถูงนะมันก็ผ่านเมตตาคือเขาก็มีความหวงใหญ่อยากจะให้แต่ความเมตตามันก็ต้องมีอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ด้วยและต้องมีปัญญาด้วย คือจะต้องมีคล้าคๆว่าต้องยอมรับ ว, ว่ามันอาจจะได้อาจจะช่วยก็ได้หรืออาจจะช่วยไม่ได้ก็ไม่แน่ก็วความไม่ทิ้งแค้แน่นอนนึกความตายยังไงยังไงเราก็รอเจ้าตาหวางตอนนั้นอยู่นั่นเองก็เหมือนกันเวลาใครเป็นอะไรเราก็รุนกันเต็มที่ช่วยกันเต็มที่ก็ได้ก็ช่วยกันได้แต่ใจยอยากไปวุ่นวายัเลอย่าไปได้แตสิ่งที่กลับมัน ถ้าแก้ได้เขาไม่ต้องไปดีใจก็รู้ว่ามันก็ผ่านไปอีกยกหนึง่งเดี๋ยวมันก็ต้องมีกยกหนึง่งรอเราอยู่นั่นแหละถ้าแก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องไปเสียใจอะไรก็คือว่ามันถึงเวลาที่มันจะเอาประสานหนังมันจะจบก็ต้องให้มันจบไปตามเรื่องของมันถ้ารู้อย่างนี้แล้วใจก็จะไม่วุน่นวายใจก็จะไม่โกรธทำทุกอย่างไปตามหน้าที่ขอเรดีที่สุดสแล้วก็ไม่ต้องมาโทษกันทีหลัง คนที่ช่วยกันแล้วเกิดช่วยกันไม่ได้บางทีต้องมาโทษกันทีหลังีมาว่ามาต่อว่าต่อพันกันว่าเพราะคุณแท้ๆที่ทําให้เขาตายอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราใช้เวลาที่มีค่านี้ให้มันเกิดประโยชน์ที่สูงสุดเพราะชีวิตของเรานั้นมันก็เหมือนเหมือนกับเทียนเรื่อมว่าเราเริ่มจุดแล้วมันก็มีแต่จะไหม้ไปเรื่อยๆ ตอนทนีมันก็จะต้นลงไปเรื่อยๆต้านลงไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวในที่สุดมันก็หมดเนื้อเทียนก็หมดเวลาที่มีแสงสวา่างัองเทียนอยู่นี้เราเอาไปทําให้เกิดประโยชน์ชีวิตของเรามันทําให้ได้ทั้งเกิดประโยชน์ก็ได้เกิดโทษก็ได้อยู่ที่เราถ้าเราไม่รู้ว่าประโยชน์เป็นอย่างไรโทษเป็นอย่างไรก็รต้องศึกษาธรรมะให้มากๆพยา่าไปวัดอยู่เรื่อยๆอย่างาน้อยอาทิตย์หนึ่งควรจะฟังเทศ ท, ทักครั้งหนึ่ง ในสมัยนี้เรามีสื่อที่ใกล้ชิดกับเราควรจะฟังทุกวันเลยก่อนจะออกไปทํางานตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็ฟังเพื่สักการะก่อนนั่งสมาธิไปในตัวแล้วจะได้มีคติเตือนใจเราจะได้ไม่ลุ่มหลงกับการไปทํางานทานําการไปวุ่นวายกับการทํางานเวลาเราทํางานอาจจะทําอย่างสบายใจก็ได้จะทําให้ดีที่สุด ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้ก็ดีคือไม่วุ่นวายใจะถ้าเราไม่มีทําตือนใจแล้วเวลาจะทํางานบางทีเราก็วุ่นวายจากการทํางานอีกถ้าทําแล้วไม่ได้ดังใจงานการไม่เป็นไปตามที่เราต้องการจะให้มันเป็นไปก็เกิดความที่ตกกลางวัขึ้นมาวุ่นวายไม่จําเป็นหทําไปทําได้เท่าไหร่เท่านั้นถ้าถึงเวลามันจะต้องตกงานก็ช่วยไม่ได้ครับ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 แต่ถ้าของกิเลสแล้วมันใหญ่โตมากกระเป๋าใบหนึ่งก็เป็นหมื่นลนะรองเท้าคู่หนึ่งก็เป็นหมื่นเสื้อผ้าชุดหนึ่งก็เป็นหมื่นถ้ า, าถ้ามีจะถ้ามีให้ใช้รับรองต้องซื้อแน่ๆราคาเป็นหมื่น <c oughs> ซื้อไปทำไมัมก็เท่านั้นแหละเอาเงินทองนี้มาสร้างบุญสร้างกุศลดีกว่าเสร็จไว้เราจะเจอวันตกงานเราจะได้ใช้เวลาที่ตกงานนี้มาภาวนา เก็บไว้สะสมไว้แล้วเวลาทํางานจะได้ไม่เครียดเวลาจะออกนี่ออกได้อย่างสงา่าค่ะเวลาออกไม่ต้องให้เขาไล่ออกทำงานนี่ลาออกเลยเจ้าของงานก็ถามว่าผมต้องการเงินเดือนเพิเ่มเหมพอไม่ทใช่ละเราพอแล้วจ่ายมันทีเรามีไรายได้เนี่ยนะมีการใช้จา่ายก็พวกก็พยายามดูเอ๊ะ ตรงกลางที่เราใช้ตัดยอดค่าของเรามันอยู่ตรงไหนนะคนมีรายได้น้อยเขาก็บอกว่าใช้แค่เนี้ยพอแต่คนมีรายได้เขาก็บอกแค่นี้พ อ, ะอนะฮะมันก็อาจจะไม่เท่ากันหรือความการเป็นอาชีพแบบสายกลางของแต่ละคนคือถ้าความจริงแล้วมันเท่ากันเพราะกินมันเท่ากันเพียงแต่ว่าเราก็อ้างว่าเรามีเงินมากเราก็อยากจะกินของแพงอะอะไร่างเง แตยัที่อากจะมาพูดเนียว่าถ้าเราใช้น้อยเราก็จะมีเงินเหลือเยอะแล้วเราจะมีอำนาจต่อรองกับชีวิตเยอะเราจะไม่ต้องกัวงวลกับเรื่องการถืกไร่ออกจากงานหรือเรื่องเศรษฐกิจตกต่ำเรื่องอะไรทั้งสิ้นเวลามันตกต่ำเราก็ไม่เดือดร้อนเรามีเงินสำรองอยู่แล้วเราก็ไม่ใช้มากคือต้องใช้แบบมักน้อยจริงๆตามหลักธรรมแล้วมันต้องมักน้อย น้องน้อยของพระก็วันละมือ้อกรรมฆาตกรรมฐานนี้ท่านสั่งวันละมือก็อยู่ได้แล้วทาราว่าถ้าไม่ทํางานกินวันละมื้อก็อยู่ได้แล้วกินอาหารที่มันถูกที่สุดนะี่แหละอาหารถูกไม่ได้ห ม, มายถางว่าเป็นอาหารเลวนะของทอย่างมันก็มาจากตลาดเหมือนกันนะมันมาแพงตอนที่เขาเอามาขายตนั้นเองถ้าขายข้างถนนมันก็ราคานึงถ้าขายในห้องแอร์มันก็อีกราคาหนึ่ง แต่อาหารมันก็เช่นิดเดียวกันเพราะฉะนั้นมันไม่จาเป็นที่จะต้องเสียเสียเงินไปกับความหรูหลาความฟุ้งเฟ้อความฟุ้งเฟ้อเราประหยัดได้เยอะเราทากับข้าวเองก็ได้ซื้อข้าวมาหุงเองทอดไข่กินก็อยู่ได้แล้วนี่หนึ่งผ่านไปอาจายจะเรียนถามผ้าจาเมื่อด ก็าที่สามารถฝึกสมาธิเพื่อจะไปท่องเที่ยวได้ถึงสาโลกอะไรอยางนีความหมายหมายความว่าเป็นการส่งติตออกนะคะหรือว่าหลักในการพิจารณาควรประสมงจิเข้าตัวเองพิจารณาตนเอใช่คือถ้าเวลาภาวนาเพื่อให้มรรคให้ผมนี่ก็ต้องให้จิตอยู่ภายในให้จิตสงบให้นิ่งและเมื่อจิตออกจากความสงบนิ่งก็ให้พิจารณาตายลับให้พิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารมีอย่าง แต่มื่อถึงเวลาที่มันว่างเหมือนกับเวลาที่ไม่ได้ทํางานเกี่ยวกับวิปัสสนาญาจิตของบางท่านมีมีบารมีก็สามารถที่จะไปเยี่ยมสวรรค์อย่างพระพุทธเจ้าไปเยี่ยมโยมันดาพุทมันดาติตารกเทวดาอย่างนี้นปุ่มั่นมีเทวดามามากราบมามาสนทน า, าธรรมนี่คือการพูดเปรียบปลอยว่าจิตมันสามารถไปได้หมดในในโลก ในโองที่มีอยู่ในจิตนั่นแหะแต่เวลาภาวนาปฏิบัติเพื่อเพื่อมรักเพื่อผลนั้นก็ไม่ไปไม่ควรไปด้วยเพราะมันจะหลงจะเสียเวลาเวลาภาวนาเริ่งต้นแนละ้วเกิดมีเทวดามาพบหรือเกิดจิตนึงไปเทีนะ่ยวนรลกเที่ยวสวรรค์อย่างนี้ก็อย่าดึงอย่าปล่อยมันไปหรือถ้าไปก็ไปเพียงครั้งแรกครั้งเดียวก็พอให้ได้สัมผัสให้รู้ว่ามันมีอยู่นะเป็นอย่างนี้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 นี่คืที่จะต้องไปสาหรับเวลาพอนะเพิ่มมากเพิ่มผลเวลาที่มันไม่มีงานจะต้องทําแล้วมันก็อยากจะเพลทเทิลหน่อยก็ไปนะไม่มีใครเขให้มันไม่เป็นโทษด้วยสําหรับจิตแบบนั้นเพราะจิตไม่ได้ไปแบบนุ่มหลงไม่ได้ไม่ได้ไปเพราะความอยากจะไปความผูกพันกับการจะไปไปก็เมื่อมันไม่มีไม่รู้จะทําอะไรว่างๆก็ปล่อยจิตไปแค่หนึ่งไปบ้างก็ไม่มีไม่ไม่มีความเสียหาย จะต้องเสร็จงานก่อนเหมือนเราต้องทํางานพ อ, อ, นอเราให้เสร็จแล้วค่อยไปเที่ยวไม่ใช่ไปเที่ยวแล้วก็ปล่อยงานไว้งานก็รอเราอยู่กองไว้บนโตงง๊ะอย่นี้ท่านหมถึงไปเที่ยวด้วยจิตเราเองใช่ไหมคะอนะคะแต่เห็น <tr uth> ประเทศตื่นประเทศต่างประเทศกันแล้วก็ไปของเราก็เราก็เราก็แล้วแต่นี้มันอาจจะมาก็ไม่นเงก็แล้วแต่อลองไปลองไปทําดูก็แล้วกัน ท่านอาจารยบอกว่าการงานตัวเองต้องเสร็จก่อนนี้จะไปไม่เง้นไปแล้วเดี๋ยวมันได้ก็ไม่ไม่ไม่ควบคุมไม่ได้อะยก็อยางที่พระอาหารท่านพูดแล้วว่าวุติสตังความมาจากยังจิตในความมจรรย์นี้ได้สร็จเสร็จิ้เสร็จแล้วไม่มีจิตอื่นที่จะต้องทํำติดต่อไปแล้วหลังจากนั้นก็เป็นการเป็นการทํางานเพื่อผู้อื่นเพราะนนั้เช่นสั่งสอนอบรมหรือเวลาเข้าสมาธิภักจิตเลยจะเอาจิตไป ท่งเที่ยวบนสวรรค์นะลกบ้างก็อันนั้นก็เป็นเรื่องเป็นของแถมไปไม่เสียหายอะไรจิตบางท่านท่านสามารถไปได้แต่ไม่เลยนะครับว่าจิตของคนทุกคนที่ภาวนาเป็นจะมีนิสัยแบบนั้นจิตบางชนิดก็ไม่มีนิสัยที่จะไปก็มไม่ไปแต่ถ้าไม่ไปท่านก็ใช้ปัญญาวิเคราะห์ได้ปัญญามันก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่ามันไปไหนมันก็มีรูปเสียงกินนรสโผดชั้าผทั้งนั้นเนี่ยก็มีรูป รูปหยาบหรืรูปทิพยนะ์นั่นเองรูปทิพย์ก็เป็นสิ่งที่เราจินตนาการขึ้นมาอยากจะอยู่ใกล้กับคนสวยขนาดไหนคนหล่อที่ไหนเราหลับตามันก็ <c oughs> มันก็โผล่ขึ้นมาในใจเราแล้วอาจารย์คะ ก, กรณีที่เราเกิดมาเราอาจจะทำทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดี น, นะคะตอนช่วงที่เราจะแบบนี้นะคะถ้าหากว่าเราได้สมาธิเนี่ย เพราะว่าระพุมที่ดีเลยคลัดชั้นไปเลยอย่านั้นใช่หรือเปล่าครับไม่แน่คือต้องมาวนะันระบาดใช้กรรมก็ถ้าเป็นภ่าระยะขึ้นไปมันจะไปที่ดีโดยถ่ายเดียวแต่ถ้ายังนนนะถ้ายังเป็นขั้นสมาธินี้ไม่แน่เพราะว่าสมาธินี้มันไม่ใช่เป็นโลคุตระธรรมสมาธิมันไ ม, ม, นไม่มันไม่ถาวรไม่เหมือนกับปัญญาปัญญาถ้ามันมีอยู่ติดกับใจแนละ้วมันจะป้องกันใจไม่ให้ไปสู่ที่ต่างได้ อย่างเช่นพระโสดาบันนี้ท่านจะไม่ไปเกิดนายาบัยต่อไปหรือแม้ท่านจะเคยทําบาปทํากรรมมาในอดีตแล้ยังไม่ได้ใช้ใช้กรรมของบาป ท, ที่ตนเองได้ทำนว้นไอกรรมเหล่านั้นจะไม่มีอํานาจที่จะส่งให้ท่านไปเกิดนายาบันได้แต่ถ้าเป็นเพื่อสมาธิอย่างท่านเช่นพระเทวทัพนี้ท่านได้มีสมาธิและท่านมีฤทธิ์มเดแต่ท่านไม่ได้เป็นพระโสดาบันท่านไม่ได้เป็นพระอนิจุคคล านเมื่อไปทำบาปทำกรรเวลาท่านตายไปก็ต้องไปตกนรกก่อนสมาธิริงไม่ใช่เป็นตัวที่จะแกรันตีตัวคลายๆว่าประกันว่าจะไม่ต้องไปเกิดในอาบางังต้องเป็นโลกุตระธรรมต้องเป็นขั้นปัญญาขั้นนแรกคือขั้นของพระสวดาบบองยังก็พระมีพระอยู่รูปที่ท่าน ก่อนที่ท่านจะตายท่านท่านมีความผูกพันกับกีวรอยู่พื้นหนึ่งพอท่านตายท่านกลับมาเกิดเป็นตัวเลนมาก่อนกีวรอยู่เจ็ดวันแสดงว่าท่านก็ยังไม่ได้เป็นพระอนิจบุคคลถ้าจิตท่านเป็นพระอนิจจบุคคลแล้วท่านไม่ไปเกิดเป็นตัวเลนเป็นไส้ท่านจะต้องเป็นมนุษย์อย่างเดียวหรือเป็นเทพแล้วก็ต้องบรรลุธรรมภายในเจ็ดชาติเท่านั้นเอง แต่ถ้าได้สมาธินี้ยังไม่มีข้อกำหนดใดๆทั้งสิ้นยังไปเกิดในอาบายได้ยังเวีนว่ายตายเกิดอีกร้อยแสนชาติก็ได้อย่างครูบาจารย์สองพระพุทธเจ้าทั้งสองรูปที่ได้บรรลุฌานรูกฌานจะอาลูกฌานเมื่อท่านมาหน้าภาพไปแล้วท่านก็จะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นขมมาโลกชั้นรูปรูปโลกกะเอาูปรูโลกแต่หลังจากนั้นแล้วสมาธินั้นเมื่อมันเสื่อมมันหมดกำลังมันก็ติด ก, กยายหยาบลงก็จะ กลับมาเกิดเป็นเทศกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องมาสร้างบุญสร้างกุศลเนต้องมาใช้เวรใช้กรรมที่เคยทํำไว้ต่อไปแต่ถ้าได้เจริญปัญญาเห็นเห็นไตรลักณในในขันห้าว่าไม่มีตัวไม่มีตนอย่างพระโสดาบันี้ท่านจะละสกายะทิฏฐิคือเห็นว่าขันห้านี้ไม่มีตัวไม่มีตนได้ ท่านก็จะปอดวา่าไม่หลงไม่ยึดไม่ติดกับครั้งติดต่อไปนนการนั้นนั้นคือตรงที่ปัญญาตัวปัญญานี้เป็นเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ควบคุมเองก่อนที่พระพุทธเจ้าตัดสู้นั้นนักปฏิบัตินี่เขาครบแล้วคือทานศีกับสมาธิแต่ทานศีกับสมาธินี่ไม่ทําให้หลุดจากการเว้นไหการเกิดได้เพราะไม่ได้ไปทําลายกิเลส คืออวิชาได้มันเองตัวที่จะทําลายกิเลสเอาวิชาได้ก็คือตัวปัญญาก็าคือตอยรักนี่ถ้าเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความเป็นอนัตตาในขันห้านะั้นก็จะปล่อยวางได้เมื่อปล่อยวางแล้วก็จะไม่หลงเมื่อไม่หลงแล้วก็จะไม่สวนกลับไปหาสิ่ง น, นั้นอีกองหมนถ้าพระองค์นั้นท่านเห็นถ้าเห็นมีตายรักท่านก็จะไม่เสียดายกับจีวรถืนนั้น การก็จะตายแล้วก็ไปเลยหายข้างหน้าไปหาเอาข้างหน้าก็ได้ถ้ายัางจําเป็นจะต้องมี ม, มีมีรูปมีร่างมีเสื้อผ้าใส่ก็ไปหามันข้างหน้าเครื้นที่มีอยู่แล้วมันจะมีดีจะวิเศษแค่ไหนก็ไม่ยึดไม่ติดกับมันมื่อถึงเวลาจากกันก็จากกันไปเลยาปแล้วไม่เหลียวหลังคนที่ไม่มีปัญญานี้ยังจะเป็นคนที่ชอบเหลียวหลังเีก พิิถึงของดีๆของวิเศษที่ตัวเองมีอยู่คนบางคนยิงกลับมาเกิดในบ้านของตัวเองอย่างเศรษฐีที่ฝังเงินไว้ในในขุดลุงขุดลุฝังเงินไว้เวลาตายก็กลับมาเกิดเป็นสุนัขในบ้านของตัวเองเพราะยังมีความผูกพันกับเงินทองของตัวเองดันั้นจึงควรพย า, ายามเจริญใจรักให้มากๆจะอนุจังทุกขานักตายเพื่อจะได้ตัดมัน จริงถ้ามีคนสอนแล้วมันไม่ยากหรอกเมื่อก่อนไม่มีคนสอนก็เลยไม่มีใครรู้ก็เลยไม่ได้ทํากันก็โมแต่ติดกับสิ่งนั้นติดอยู่กับสิ่งนี้ไปพอมีคนมาสอนอย่างพระพุทธเจ้าพอแสดงธรรมครั้งแรกพระอัญมณ์โกนทะยะท่านก็ปล่อยวางขันได้ท่านจะมาเรียนกันพระโสดาบันเช่นนัได้ทันที ที่ได้จังพูดถึงว่าขันชายมัารที่ี่สังารลกษางอย่างุคือมันเป็นเหมือนกับลูกโซ่ที่มันต่อเนื่องกันเนี่ยคือการทางานของขอ ง, งานามประขันมันเป็นอย่างนี้พมีมีความความเห็นอย่างนึ่มันก็ความเห็นนี้มันก็กระตุ้นให้เกิดความคิดขึ้นมาทีอเราเราเห็นว่าการทาบุญดี ก็เกิดความคิดว่าเราไปทําบุญกันกดีกว่านี่ก็เป็นสังขารละความคิดสุงขึ้นมาแล้วมันก็รับทราบในัยใจของเราตัวรับทราบนี้ก็คือตัววิญญาณแล้วมันก็ส่งออกมาทางนามประคมก็คือรูปรูปรูปเวทนาวัญญาสัง ข, ขงรงารวิญาณนี้เราก็เอารูปนี้มาทําทํากิจที่เราต้องทําตัวมาทําบุญ <c oughs> กันเมื่อทําแล้วก็เกิดเวทนาคือความสุข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 รบบรวมๆนะแต่ในนั้นถ้รู้สึกมีหลายขั้นนั่นคือว่ า, า, วาปัจจยาสังขารสังขารปัจจยาวิญญาณวิญญาณปัจจยานามกรูปนามกรุ๊ปก็ปัจจยาอายตนะอายตนะก็ปัจจยาสัมผัสมีสัมผัสตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงก็ก็เกิดเวทนาขึ้นมาเมื่อเกิดเวทนาก็เกิดตันหาขึ้นมาเกิดทันหาก็เกิด อ, อิปทานพอเห็นรูปเห็นรูป ก็เกิดจุดเวนาขึ้นมาก็เกิดปัญหาอยากจะให้รูปนั้นอยู่ไปนานๆก็พยายามที่จะไปไขว่คว้าหารูปนั้นถ้ารูปูปนั้นเสียไปก็หารูปใหม่มาแทนรถคันนี้เสียไปก็หารถคันใหม่มาแทนมันก็เป็นเหมือนกับเป็นการสร้างครบทั้งชาติสร้างขึ้นมาใหม่เนยมันก็ไล่ไปอย่างเงี้ยอวิชช์นี้มันอยู่ที่ตัวเริ่มต้นถ้าเป็นอวิชชามันก็จะให้เราคิดไปในทาง ทางติดอยู่กับกาเรเวียนว่าตายเกิดเราจะคิดอยู่กับเรื่องการมาสุดเรื่องลาบยอดสารเสื่อสุดแต่ถ้าเป็นทางธรรมะมันก็จะทิศไปทางความศีลภาวนามันก็จะตัดมันก็จะตัดสังขารอะไรไปเรื่อยๆเพราะเมื่อเราภาวนาไปเรื่อยๆแล้วเราจะเห็นว่าสังขารนี่เป็นตัววุ่นวายยิ่งคิดยิ่งจุงก็ยิ่งวุ่นวายถ้าหยุดหยุดสังขารได้สบายสักแต่ว่ารู้อย่างนั้นดีสุด เวลาอยู่ที่ไหนเห็นอะไรก็ไม่ไปปรุงแต่งกับอะไรมันจะเป็นอะไรก็ให้มันเป็นไปเห็นศักดิแต่ว่าไม่ไปคิดว่าดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้พิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ น, นานาซึ่งเป็งานของสังขารเมื่อมันวินาพากษ์วิจารณ์แล้วมันก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาดีใจบ้างเสียใจบ้างไม่พอใจบ้างก็เกิดตัญหาขึ้นมาที่จะต้องไปจัดการไปแก้ไขไปทำสิ่งนึงสิ่งนี้กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ แต่ถ้ามีปัญญาก็ดูว่าทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้แหละไปทําไปแก้เป็นไงเดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นอย่างนี้แก้วันนี้แล้วพรุ่งนี้มันก็มีเรื่องใหม่มาให้แก้อยู่เรื่อยแก่ไปจนมันตายก็ไม่หมดงานทางโลกมันทําไปเท่าไหร่มันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกไม่เหมือนงานทางธรรมงานทางธรรมก็คือรู้ทันว่าเราไปหลงกับเรื่องราวต่างๆในโรกนี้หยุดหยุดไปวุ่นวายกับมันได้ลด แ, ลแล้วดูแลรักษาใจของเราให้สงบไม่ไปกลุ้งไปตั่งเท่นั้นะ ก็เป็นธรรมะขึ้นมาเป็นวิชาปัจจยาสังขาราเมื่อมีธรรมะแล้วมันก็ไม่มันก็ไม่คิดไปทางเรื่องวุ่นวายถ้ามันจะคิดมันก็ยึคิดไปในทางเรื่องที่ให้เกิดคุณประโยชน์อย่างจิตของพระอรหันต์จิตของพระวิทธจ้านี้ท่านมีแต่วิชาหรืธรรมปัจจยาสังขาราท่านก็คิดแต่ไปในเรื่องที่ดีเรื่องที่ทําให้เกิดคุณเกิดประโยชน์แต่ทําแล้วก็ปล่อยวางไม่ได้ยึดไม่ได้ติดแลนะท่านมี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 พอใจวิ่ไห่จะขอบใจวิ่งไหมท่านไม่ได้ไปสนใจไม่ได้เอามาคิดใช่ไยท่านพิจารณาด้วยธรรมแล้วเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ท่ททานก็ทาไปใครจะวิพากษ์วิจารณยังไงมันก็ไม่เกี่ยวกับท่านวิพากษ์วิจารไปมันก็วิมันก็เป็นความวิพากษ์วิจารของคนหูหนวกตากบอดใครจะไปวิพากษ์วิจาร fragen, ท้องพุทธเจ้าพระพาลฐา น, นได้ใช่ไหมพระพาลฐานกับพุทธเจ้าด้วยกันจาไม่วิพากษ์วิจารกันหรอกมีแต่พวกคนหูหนวกตาบอดอยา่างพวกเราเท่านั้น คุณชอไปวิภาควิจารณ์คุูบาอาจารย์แล้วก็ตกนรกหมกใหมโดยที่ไม่รู้ตัวจะติดใจว่าวุน่นขุน ง, งัวกับการวิภาวิจาร์ของเรางั้นเรื่องของครูบาอาจารย์ต้องต้องป่อยท่านอไปท่านมีปัญญาท่านรู้อะไรหลายหลายมิติลึกกว่เาเรากว้างกว่าเราเราบางทีมองเพียงจุดเดียวเท่านั้น คิดงนี้แล้วเราจะได้สบายใจนะจะได้ไม่ต้องไปกังวลกับท่านไม่ต้องไปห่วงท่านห่วงตัวเราเถิดท่านสอนเราไม่ไม่ใช่เราสอนท่านไม่ต้องไปห่วงไปกังวลกับท่านท่านพร้อมท่านบริบุญณ์ทุกอย่างอยแล้วท่านทําอะไรท่านไม่ได้ทําแบบหุนหันพันลั่นอย่างพวกเราท่านคิดโดยรอบคอบและด้วยธรรมะด้วยธรรม พอจะเข้าใจนะเรื่องอวิชาปฏิยอาอวิชาคือความหลงส่วนธรรมะคือความรู้นี่ถ้ามีธรรมะก็จะพาให้เราปรงแต่งไปในทางที่ดีเช่นชวนกันมาชวนกันมาทําบุญชวนกันไปภาวนาอย่างนี้เรียกว่าธรรมะพาไปถ้าชวนกันไปกินเหล้ามายานีนอวิชาพาไปอวิชาปฏิยาสัมผาสนเะ วันนี้ดีไม่ก็มีปัญหาแล้วรือถามจนหมดแล้วามหรือิ๋วติวติวามลลุงดีขึ้นหมตอไม่ต้องขอขอเ่ยปัญหาใหม่เราดีขึ้นหมลุงอย่าไปนู่กถูกแล้วเแก้ถูกจุดแล้วเราแก้ที่ตัวเราสอเราแก้ที่เขาหับใจได้เยอะ ถ้าแก้ได้ก็ดีแก้ไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้มปนตัวเขาแต่เราแก้ตัวเราก่อนตัวเราเราแก้ได้แต่เราไม่ค่อยชอบแก้เท่ไหมเราเชอบไปแก้คนอื่นเราจึงวุ่นวายกันอยู่ตลอดเวลาเริแก้ตัวเราก่อนทํำใจเราให้ให้ปล่อยวางให้ได้อเมื่อเราปล่อยวางแล้วเวลาเราจะแก้มันจะแก้ด้วยเหตุด้วยผลด้วยความรู้จักประมาณ แต่เวลาที่ยังปล่อยวางไม่ได้มันจะแก้ด้วยอารมณ์เราจ้าแก้ให้ได้อย่างเดียวนั้นเองท <Okay. S 1> าไม่ได้ก็วุ่นวายใจดังนั้นต้องแก้แก้ตัวเราก่อนแก้ตัวเราแล้วไปแก้อย่างอื่นก็แก้แก้ไปเท่าที่เราแก้ได้ดงนั้นภาวนาให้มากนะอันนี้สําคัญมาก คือทานศินก็ทําไปเถอะมันก็มันทานก็ง่ายเราก็ซื้อท้าวซื้อของเราก็ไปจากไปเราจากเป็นเงินเป็นทองอะไรไปก็ได้สินเราก็รักษาอยู่แล้วเป็นพื้นๆสินห้าสินแปดแต่สิ่งที่ต้องทําอยู่ตลอดเวลาก็คือภาวนาเนี่ยเวลาภาวนานก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปอยู่ในห้องพระหรือไปอยู่ที่วัดถึงจะภาวนาได้อเราภาวน า, นาน ไ, ดได้ทุกเวลาการภาวน า, นานก็คือการดีสตินี่แหละ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 ต้องคอยดึงมันให้กลับเข้ามาทําอะไรก็อย่าไปยึดอย่าไปติดทําไปให้รู้ทันแล้วก็ปล่อยวางมีหน้าที่ทำอะไรก็ทําไปได้ผลบ้างน้อยเพียงไรดีหรือช่วยองไรก็ไม่ต้องไปวุ่นวายกับมันทําไปแล้วก็มันผ่านแล้วย้าก็ปลันผ่านไปให้ใจเป็นปัจจุบันอยู่เรื่อยๆนะมคนก็สงสัยว่าเพราะว่าเขาที่ได้มาผ่านสินค้ามาใช่ไหมค บาก็อาจจะที่เราน้แต่ศีลาเทางกา้อือต้องด้วยี่คือคือถ้าทานมันยังไม่ทาเต็มที่ศีลมันก็จะไม่ได้ผลที่คล้ายว่ามันมันมันสดับเสมอกันควร่าาต่ได้จะจะโอเคคือทาได้แต่มันอาจจะไม่ได้ผล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 มีร้อยก็ทำาักสิบบาทนี้มยังเก็บไว้เก้าสิบังเสียดาอยู่ก็จะออกเงินไม่ได้แต่ถ้ามีร้อยเคยมีร้อยก็ให้ทั้งร0อยเลยมันก็ไม่เสียดาเพราะการภาวนาการรักษาตีนี้มันมีอันที่สูงมากกว่าแต่เราแต่เวลาเราทำนี่เราอาจจะทำไม่ได้เต็มที่เองเพราะใจของเรายัางยังมีความผูก พ, พันกับเงินทองอยู่ ก็แล้วแต่อันนี้ไม่ได้บังคับกันค น, บ า, คนบางคนก็คิดว่ามีเงินก็เก็บไว้ก็ได้เขาเขาเก็บไว้บางทีเขาก็ไม่ได้ใช้มันอยู่ดีแล้วเมื่อสักวันสักวันพอจิตเขาได้ได้ธรรมะขึ้นมาเขาก็ควรน่ามาใช้ที่หลังเลยคือบางทีจิตตอนนั้นยังหวงอยู่ยังเสียดายอยู่เหมือนพระที่ยังเสียดายที่วานเง น, นั้นอยู่ตายไปก็กลับมาหาทรัพย์ของตัวเองคือมันจะไม่ได้อภิญญาทรัพย์ เราต้องตัดโลกกับโลภีัพย์เราเห็นจะได้อริยทรเพราะเมื่อเราเห็นว่าเป็นโลภีัพย์เป็นใจรักเป็นเป็นทุกข์ไม่ได้เป็นสุขเป็นเป็นตัวที่ถูกมัดให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องตัดมันเราก็ต้องปล่อยมันเมื่อเราปล่อยมันแล้วเราตายไปเราก็ไม่กลับมาหามันแต่ถ้าเรายังติดถูกมัดกลับมาอยู่เดยวเรากลับมาเกิดเป็นตุ๊กแกในบ้านเรา อภาวนาแต่ยังไม่ถึงขั้นภาวนาแบบเป็นรูปแต่ไม่ได้เป็นตัวตั ว, ต, วตัวภาวนาคือตัวเองที่ว่ากําลังภาวนากําลังน่าจ่าจิอยู่แต่จใจยังยังถูกติดอยู่กับกับทรบสมบัติข้าของเงินทองอยู่ยังไม่เข้าใจว่าการภาวนาน้ภาวนาเพื่ออะไรเพื่อตัดเพื่อปล่อยเพื่อวาถ้าไม่ปล่อยไม่วางจิตมันก็ไม่เข้าสูาส่ควาสงบ แต่ถ้าเกิดวันไหนเกิดธโมนาแล้วเผอปล่อยวางได้สักช่วงยังเชื่อขนาดนยังแล้วจิตมันรวงเข้าสูาส่ความสงบพอมันุ้่งคาสงบแล้วอเงินเดือนนั้ น, น, น, นมันจะยกขึ้าไป เ, เลยในหมดเลยเพอเวลาคิดถึงเงินทองมันจะมารบกวนความสงบของจิตใจมันไม่ต้องการอย่างสมัยที่อาจรมาบวชใหม่ๆโยมก็มีที่อยู่แปลงหนึ่งเขาใส่ในชื่อของเราเล นี้ก็ต้องส่งส่งจดหมายมาให้เราเซ็นชื่ออยู่เลยบางทีคนทั้งที่เขาต้องวัดรางวัดอะไรก็ว่าต้องส่งจดหมายมาให้เราเซ็นชื่อเ้าก็เลยบอกโอนไปเลยดีกว่าเขาวุ่นวายกไห ม, มั น, มน <c oughs> แล้วเราก็ไม่ได้ใช้มันอยู่แล้วอะ่ะเนี่ยมันก็มันถึงเวลามันก็ปล่อยไปอย่างเงียถ้าตอนนี้ก็ยังไม่ปล่อยก็มันก็ไม่เป็นไรแหลอปกกรณีตอเนื่องนะคะ เรโอเคเรามีสมบัติเนี่ยเราก็คอว่าเราให้ลูกหลานไปหมดเลยทําจิตเนี่ยถือว่าเป็นการปล่อยก็ปล่อยแหละเพียงแต่เราจะปล่อยแบบฉลาดหรือโง่เน่ะบางทีเราก็ต้องมีไว้ส่วนอย่างไว้ดูแลตัวเราถ้าเราปล่อยไปหมดเยอะเกินเราไม่มีกินเราจะทําอะไรถ้าเกิดลูกหลานเขาไม่เลี้ยงเราขึ้นมาหรือเอาเงินที่เราให้ไปถลุงันหมดเนี่ยก็คือต้องมีต้องมีไว้บ้างอะถ้ายังไม่ได้เป็นนักบวชนะ ถ้าเป็นนักบวชนี่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามีภ้าพเหลืองนี่ก็มีสมบัติอันวิเศษนะมีข้าวกินทุกวันแต่ถ้ายังเป็นฆราวาสอยู่นี่ยังต้องหากินเองถ้าไม่มีเงินทองขึ้นมาจะจะทำยังไงก็ต้องมีไว้ส่วนนึงไวสสาหรับดูแลเรื่องนี้แต่ไม่จำเป็นจะต้องมีมากมายให้กลายเป็นภาระนะคับยอ หรือว่าเรายังคิดว่าเรายังอาจจะมีความจำเป็นจะต้องใช้มันอยู่ก็เก็บไว้ก็ได้แล้วถ้ า, าใจเราไม่ไปสนใจกับมันโดยมีเงินก้อนนี้ก็อยู่ในธนาคารหรืออยู่ในที่ดินที่ตรงไหนก็ปล่อยมันไปเหมือนกับไม่ไปกังวันกับมันแล้วเราก็ภาวนาไปรักษาสิ่งไปแต่พอสักวันหนึ่งพอจิตมันสงบเท้าจริงๆ แ, แล้วเราต้องมาคอย คอยดูแลมันอย่างเนี้ยต้องคอยมาเซ็นชื่อต้องคอยไปที่อำเภอไปทําไอ้ปิดต่างๆที่มันไม่ใช่เกี่ยวกับการทําจิตถ้าสงบแล้วมันก็จะราคาญมันก็จะมันก็จะขายขายทึ้งไปหรือยกให้ขายไปจนจ น, นได้เพราะมันมีความจําเป็นกับเราแล้วถ้าจิตเราเริ่มสงบแล้วเรารู้แล้วแล้วว่าเรามีสิ่งที่ดีกว่าในตัวเราเราจะเอาสิ่งนี้สิ่งเดียวก็คือการรักษา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 สร้างความทุกข์ให้กับเราคือมันคำว่าบาปก็ไม่จริงว่าคาว่าบาปนี้มันหมายถึงการไปสร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่นไปเบียดเบียนผู้อื่นแต่อันนี้เป็นการเบียดเบียนตัวเราก็เรียกว่าเป็นอกุสงเท่านั้นคือไม่ได้เป็นกุศลจะผิดจริงไหมคะก็ไม่ผิดเนี่ยไม่ผิดกฎหมาเหมือนซื้อลอตเตอรี่เหมือนกันซื้อลอตเตอรี่มันก็ไม่ผิดกฎหมายมันก็ไม่ผิดจริง เป็นพลัคะเป็นอบายมุกมันเป็นอบายมุกทำมันนำสึ่งมาซึ่งความลภมันอาจจะทำให้เราผิดสิ่ต่อไปถ้าเราเล่นแบบแบบผักโขมเล่นแบบทุ่เทเอาไปตายพอเงินหมดก็ต้องไปหาเงินมาโดยเงินหมดที่อยานี้กันการให้ทานทานของจิตที่ตกผวา มีอาการแล้วก็ยังไงครับคำว่าผวังมันก็เหมือนกับมันมีคาว่าผวังนั้นมันมีสอความหมายผวังหลับกับผวังสมาธิมีอนการเพื่อถ้าเป็นผวังหลับก็จะไม่มีสติก็จะไม่รู้ว่าตัวเองหลับไปเหมือนคนที่หลับในนั่งขับรถไปแล้วก็หลับในตรงนี้นั่นมันก็ตกผวังหลับแต่ถ้าเป็นผวังสมาธิจิตมันก็เหมือนกับตบหลุมตบดอกแล้วก็นิ่ง แต่มีสติรู้อยู่กับตัวรู้ว่าเออขณะนี้จิตเราเบาหรือสบายไม่คิดอะไรไม่คิดแคคิดน้อยมากนี่เขาเรียกว่าถ้าเป็นทวังสมาธิพื่อคือควาสมสงบนั่นแหละที่เามักทีก็ใช้คํ า, าว่าผวังบางทีก็ใช้ใช้คาว่าสงบจิตรวมตัวจิตเป็นหนึ่งอย่างนี้ก็เหมือนกันคือเช่นเราบคอยคำพูดตัวพูดตัวไปแล้ว พอถึงจุดออกมาแล้วมันรวมลงปั๊บมันก็เหมือนกับตกหนุมตกบ่อตกเหวเมื่อเราเรานั่งเครื่องบินแล้วมันตกหลุมอากาศมันวุ้บไปแล้วมันก็นิ่งเพียงแต่ว่าสติเรามีอยู่ครบทุ่นบะไรอยู่เหมือนกับเรานั่งคุยกันอย่างเงี้ยคุยกันไปคุยกันมาจิตมันวุบลงไปก็ได้มันก็เป็นได้เหมือนกันบางทีเดินจงกลมบางทีมันก็รวมลงได้ขณะที่เราเดินอยู่ถ้าสติเราไม่ไปคิดอะไรแล้วมันไม่มีตัวดึงมันไปมันก็จะตกหลุมของผวังเนี้ย เป็นสมาธิปหนดเยถ้าเป็นอยู่เนี่ยล่ะค่ะยังเกียจยังที่ายีก็ปล่อยเดินไปอย่างนั้นไปเรื่อยๆได้มันจิตกับกายมันไม่คละส่วนกันเดินไปมันก็ยังสงบอยู่ยันก็ยังสงบอยู่มนั่งภาวนาแนีได้เหมือนกันมันคือเวลาจิตมันสงบแล้วมันมันมันก็จะสงบของมันร่างกายจะทำอะไรก็ยังทาได้อยู่ก็คือจิตสมาธินั่เองชไหคใช่ เป็นดาวสมาทินี่มันมีหลายหลายระดับมีความลึกซึ้งร่าบานต่างกันถ้าภาวนาไปมากๆแล้วมันจะคล้ายๆว่ามันมันจะลงลึกแล้วจะลงได้ในแค่จะหลายอิริยาบถแต่เรื่อต้นอาจจะต้องอาศัยท่านั่งเป็นหลักถึงจะรวมลงเพราะมันต้องตา้ความความนิ่งจริงๆของกายเพื่อที่จะให้ใจมันสงบแต่เมื่อใจมีฐานของความสงบแล้วมันคือเดินยนงคงไปนิ่มันก็รวมให้ร ว, วมให้เราได้ ย่งหลปูชอบที่ท่านเดินเป็นกรมทารนาตอนคืนท่านก็ถือตะเกียงถือโคมเดินไปท่านชอบเดินเดินเดินที่ดวงตอนทรคืนท่านเดินไปทั้งก็ภาวนาไปพุโทโธพุธโทโธไปแล้วครั้งหนึ่งท่านเดินไปเจ้าเอกับเสือเสือลาย่าตุย้อนพอท่านพอจิตถึงเสือครับจิตนี้นก็รวมลงเลยเสือก็หายไปจากความยึดเหนี้ยมจิตเลยแล้วพอจิตถอนออกมา ไอ้คลนไฟที่ท่านถืออยู่นี่เทียนที่จุดไว้เนี่ยมันไหม้หมดเลยนะแต่ท่านก็ยังยืนถือโคลไฟอย่างนั้นอยู่ะแสดงว่าวมันรวมลงเป็นเวลานานต่อนแข็งแข็งแต่ร่างกายก็เหมือนกับมันกลายเป็นถินไปงั้นมันก็ยืนอยู่ประมาณนีจิตตนั้นปล่อยวางร่างกายจิตมันรวมลงไปอยู่ในระยะบทไหนมันก็อยู่อย่างนั้นพอลาาจิตมันเห็นเสือมันตกใจนะ ถ้ามัมีสติคุมใจอยู่มันก็เลยไม่ไม่ตื่นถ้าไม่มีสติมันเห็นเสือก็มันก็จิตมันก็จะเผือนมันก็จะกระโดดมันจะกระโจนหนีแต่นี่มันหนีไม่ได้เพราะมีสติคุมอยู่มันก็เลยรวมรวมลงเข้าสู่ความมันก็เป็นมันก็เป็นทวารอย่างนี้เนี่ยเป็นทวารเป็นจิตรวมเป็นสมาธิเวลาเดิปฏิบัตินี่ หรือมุ่งี่ชอบเดินจงกรมก็าดเนี่ว่าสมาธิมันไค่ว่าแตเป็นการปฏิบัติที่แตกต่างกันมาคือถ้าปฏิบัติอย่างยาติโยมนี้บางการเดินจงกรมงทีก็ยังไม่ค่อยมีความจำเป็นเท่าไหร่เพราะเรายังปฏิบัติน้อยอยู่ที่ต้องเดินจงกรมนั้นหมายถึงพวกที่เขาปฏิบัติเป็นอาชีพอย่างพระนี่ปฏิบัติแบบทุกวัน่จะต้องตลอดเวลานี้มันไม่ไหว ร่ากายมันมันต้องเปลี่ยนอิเลียบทั้งนั้นถ้าเราจะเอาเอาเอาภาวานาแต่เฉพาะท่านั่งมันก็ไม่พอเพราะเราต้องเปลี่ยนอิเียบทั้งนั้นเวลาที่เราเปลี่ยนอิเลียบทเราก็ยังเราก็ยังภาวานาต่อไปได้เราเคยบริกรรมพุทโธพุทโธอยู่ในท่านั่งเราลุกขึ้นมาเดินแล้วก็บริกรรมพุทโธต่อไปได้เหมือนกันคือใจนี้มันสามารถภาวานาได้ในทั้งสี่อิเลียบท แต่ในอุปนิยมท่านอนที่ไม่ควรจะทํำทเองเพราะว่ามันจะทําให้หลับน้าแต่ถ้าถ้ายืนถ้าเดินถ้านั่งนี้สามารถเป็นใช้เป็นอุปนิบมสําหรับการภาวนาได้ถ้าต้องภาวนาทั้งวันอย่างนี้แล้วแต่ตื่นขึ้นมาจะทั้งถึงหลับนี่ยจะนั่งทั้งวันมันก็ไม่ไหวก็ต้องมีการเปลี่ยนอรุยบนบยมจะนั่งมากๆจนกระทั่งมันรู้สึกว่ามัน เจ็บปวดเมื่อยล้าไปทั้งร่างกายก็ต้องเปลี่ยนลดขึ้นมาเดินเวลาเดินก็อยากปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องรงาสเปสเปสะะไม่ควบคุมจิตใจแล้วก็ควบคุมจิตใจมันเ mm. ช่นบ ร, ริกรรมพุทธโธพุทธโธไปเรื่อยๆก็มีมีมีพระอยู่รุ่นหนึ่งไม่ทราบอยู่ที่ไหนเคยได้ยินว่าท่านก็ใช้การบ ร, ริกรรมพุทธโธนี้ตลอดเวลาเลยไม่ว่าท่านทํากิจอะไรท่านก็ไม่ห่างจากพุทธโธ อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการภาวนาอยู่ตลอดเวลาพอตืน่นขึ้นมาปั๊บท่านก็พุโทโธเลยแม้กระทั่งถึงเวลาหลับไปเลยเวลาจะนอนก็ภาวนาพุโทโธไปทั้งวันมีู่แต่คำว่าพุโทโธคืออาจจะอาจจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างเมื่อมีความจําเป็นเช่นเวลาไปเจอคนนั้นคนนี้ต้องพูดต้องคุยกันเขาก็อาจจะวางพุโทโธไปสักระยะหนึ่งแต่พอไม่ต้องไปคุ ย, ไ ม, ไ, คยไม่ต้องไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ท่านก็จะ กลับมาอยู่ที่พุโทโธไม่ว่าจะเป็นการปรดัปรดกวาดล้างบาทเดินบิณฑบาตหรือทำอะไรก็จะในพุโทโธอยู่ในใจต่อตรงนมไม่รู้วา่าทุเดืบนราควรจะนั่งระทังวันกได้จะนอย่างเดียวไม่ได้แล้วได้ถ้าเรานั่งได้เราเราภ า, าวนาได้ผมก็นั่งไปก่อนก็ได้ยกเว้นว่าถ้าเราเกิดไปมีวันเวลาว่างเช่นวันเสาร์วันอาทิตย์หรือช่วงไหนที่เราไปอยู่ปฏิบัติที่วัด ความีเวลาภาวนาอยู่มากถ้าเรานั่งอยู่น า, งงานๆแล้วเรารู้สึกวามันเมื่อยล้าอยากจะปเปลี่ยนในระยะเวลาเราก็ลุกขึ้นมาเดินแล้วก็ภาวนาต่อจะได้ไม่เสียเวลาถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเราก็จะต้องรอเวลาเวลามานั่งทานั้นถึงจะภาวนาได้ถ้าเวลาไม่นั่งเนี่ยเราก็ปล่อยใจให้ไปคิดให้ฟุ้งซ่างงานมันก็จะเดินหน้าถอยหลังไปอยู่เรื่อยๆไม่เดินหน้าไปตลอด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 ขาก็ขวาให้รู้อยู่กับการก้าวของเท้าเหมือนกับทหารเดินหนึ่งซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็ให้อยู่กับกา ร, 9, ราย่างก้าวกระดาคือทํำยังไงก็ได้ไม่ให้ใจมันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พรไปคิดแล้วมันก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมามันก็จะไม่สงบแต่ถ้ามันมีกับการก้าวเท้าไปก้าวมาเดี๋ยวมันก็สงบกกนในขณะที่เดินได้จิตมันจะ คำว่าสงบนี่มันมีหลายแบบนะไอ้สงบแบบหายไปเลยนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่สงบแบบที่เราเดินจงกรงนี้มันไม่หายหรอกคือกายก็ยังอยู่อะไรก็ยังอยู่แต่ความรู้สึกภายในใจนี่มันพลิกไปจากที่มันมันมันเหมือนกับคลื่นมันก็สงบนิ่งได้มันมันจะเกิดขึ้นได้นะครับแล้วถ้าถ้าเรานั่ยสมาธินี่ยก็พักเดียจิตเรานิ่งแล้วเนี่ยเราพิจารณาเลยได ในขณะในขาที่นิ่งมันไม่คิดปุงอะไรก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปคิดเพราะฉะนั้นให้มันนิ่งให้งานที่สุดท้าทุกย่างนานได้เป็นการพักจิตเป็นการให้อาหารกับจิตใจเป็นการให้พลังจิตเรจาจะกระทั่งจิตมันหายจากความนิ่งแล้วมันเรื่องคิดปรุงแล้วค่อยเอาความคิดปรุงนี้มาคิดเพราะเพราะไม่เช่นนั้นแล้วมันจะไม่มีกําลังเวลาเราไปคิดอะไรมันจะไม่มีกําลังที่จะทําตามความคิดนั้น ่เวลาทำํำคาว่าเวลาจิตสงบแล้วให้ออกพิจารณานี่ท่านหมายถึงให้มันหายใ ห, ให้หายจากความสงบก่อนแล้วค่อยไปเจริญปัญญาแต่ในขณะที่มันสงบนนิ่งก็เหมือนกับคนนอนหลับคนนอนหลับเราไปปลุกปล่อยให้เขานอนหลับให้พอเพราะถ้าเขานอนหลับไม่พอเราไปปลุกเขาขึ้นมาทํา ง, งานเขาจะหนงุดหงิดเพราะจะไม่มีกําลังที่อยากจะทํางานแต่ถ้าเขาหลับเต็มที่แล้วเขาตื่นขึ้นมาเองแล้วทีนี้ บอกให้เขาไปทําอะไรเขาก็จะไปทําได้ก็เขามีกําลังวังชาแค่พักอย่างเต็มที่แล้วการทําจิตให้สงบก็เป็นการพักจิตให้มีกําลังที่จะไปทํางานขั้นปัญญา อ, อีกขั้นหนึ่งต่อไปแต่ในขณะที่พักอยู่ในควาสมสนบนั้นอยากขึ้นเอาไปทําอะไรขึ้นถ้าเขานิ่งอยู่หลวงเท้าเฉยๆยั้นอยากไปยุ่งกับเขาอยาให้เขานิ่งไปตามอคาคียาสัยจนกว่าเขาจะออกมาจากความนิ่ง ควรจะให้นิ่งอยู่เป็นเท่าไหร่ครับครึ่งชั่วโมงหรือเป็นชั่วโมงโดยธรรมชาติของวัดแล้วแต่บางทีไม่ถึงครึ่งชั่วโมงบางทีแค่ห้านาทีสิบนาทีก็แล้วแ ต, แวแต่แล้วแต่กําลังของสมาธิของแต่ละคนของแต่ละท่านถ้าปฏิบัติไปทํางานแล้วมันก็จะอยู่ได้นานถ้าใหม่ๆ ม, มันก็อาจจะอยู่ได้ไม่นานเมื่อมันออกจากความสงบนั้นแล้วก็ลุกขึ้นมาก็ได้หรือจะนั่งแล้วก็พิจารณา กตยลักในเรื่องของร่างกายก็ได้ของเวทนาปัญญาสังขารยมยามก็ได้ถ้าพิจารณาอยู่เรื่อยเกี่ยวกับเรื่องไายรักเป็นหลักในเบื้องต้นนี้ก็จะจ ะ, จะพิจารณากายเป็นหลักเพราะกายนี้เป็นเหมือนกับเป็นด่านแรกและเป็นเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดปัญญาขั้นต้นนี้จะต้องเหมาะสมกับการพิจารณาร่างกาย ส่วนลูปส่วนเมตตาใัญญาสังขารญาณนี้มันต้องปัญญาที่ละเอียดเข้าไปเพราะเราเป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นเบื้องตอนนี้เวลาจะพิจารณาทางปัญญาก็ให้พิจารณาดูร่างกายเป็นหลักดูความแกเ่เจ็บตายเป็นหลักดูความไม่สวยในงานเป็นหลักเพราะจนกว่าจะปล่อยวางได้ปล่อยวางความความเสี่ยงาปของร่างกายได้ปล่อยวะ ปล่อยวางการยึดติดอยู่กับความเป็นความตายของร่างกายได้จนกะ้ะทั่งไม่มีปัญหากับร่างกายแนละ้วก็จะไปพิจารณาเรื่องนามาขันต่อไปแต่ในขณะที่พิจารณาทางร่างร่างกายนี้บางทีมันก็มีเวทนามาเกี่ยวข้องด้วยที่เวลาลนั่งไป น, นานานี้ก็จะเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเราก็ต้องพิจารณาเวทนาควกคู่ไปด้วย เนเวลาเกิดทุกเวทนาขึ้นมาก็พิจเวทาว่าเวทนานี้ก็เป็นอนิจจังเหมือนกันมันเกิดขึ้นตั้งหรือว่าเดียวมันก็ดับไปอย่างตอนนี้มันเป็นทุกเวทนาเราก็จะเกิดมีตังหาคือความอยากจะให้มันหายไปหรือเราอยากจะลุกหนีจากมันไปแล้วก็ต้องหักข้ามจิตใจอยากให้มีความความอยากนี้เกิดขึ้น่อยให้เวทนามันแสดงตัวของมันไปถ้าว่า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 มันมันก็เหมือนกับเสียงที่ปรากฏขึ้นมาในจิตของเราเสียงมันก็เกิดวุ่นับนวุบนั่อย่างเนี้ย่ที่เราได้ยินเสียงเนี้ยส่วนในเวทนาความเจ็บปวดทางร่างกายมันก็เป็นเหมือนกับเสียงเพียงแต่ว่าเราไปรังเกียจมันเราไม่ต้องการมันมันก็เลยสร้างความทุกข์ค้อนขึ้นมาในใจคืออันนี้แหละทุกในในอริยสัจทุกที่เกิดจากปัญหาคือความอยากให้ความทุกข์นี้หายไปความเจ็บนี้หายไป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 ถ้าเราบอกว่าไอความเจ็บแค่นี้มันก็ไม่ไม่ไม่เหนือบาปเราเรากําหนดจิตให้นียงไว้ดูมันไปใช้กำหนดดูมันเป็นเป็นแทนทุกโถก็ได้ดูเจ็บนั่นแหละเจ็บยังไงมันอยู่ตรงไหนถ้ดูมันก็จะเห็นว่ามันยิดยึดยึดเล็กอยู่ในใจพณะนั้นเองถ้าเราไม่กลัวมันไม่ไม่อยากจะให้มันหายแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปมันไปเองเพราะเวลาเราใจเราปล่อยวางแป๊บไอเนี้ยมันก็หายไป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 ถ้าเราสามารถระงับความอยากให้ความเจ็บปวดนม่หายไปได้ไอ้ความทุกข์ที่ถูกสร้างขึ้นมานี้มันจะหายไปและความเจ็บปวดที่แท้จริงนั้นมันจะไม่เจ็บปวดเท่าเท่าไรไม่เหมือยกับความทุกข์ที่สร้างขึ้นมาด้วยความอยากให้ความเจ็บปวดหายไปถ้าใครปฏิบัติฐานตัวทุกเวทนาไปได้แล้วมันก็จะไปได้ไกล ส่วนใหญ่ที่ไปกันไปไม่ถึงไหนก็มันก็ติดได้ตรงเนี้พอ น, นั่งไปแล้วมันเกิดความเจ็บความปวดขึ้นมามันก็ท้อล้วะเลิกถอยไปไม่ถึงไหนที่จริถ้ามุดทะลุให้มันไปในเบื้องต้นอาจจะใช้การบริกรรมพุทโธไปก็ไดเวลาเจ็บเวลาปวดก็อย่าไปคิดถึงความเจ็บความปวดเอาพุทโธพุทโธไป ล, ลูกเดียวนี่ไม่ดีเดี๋ยวพุทโธนี่มันจะพาให้เราทะลุไปเลยทะลุไปเราจะรู้ว่านี่เป็นเหมือนม่านบา ง, บาง ก้างเราอยู่ทั้งนี้อาารเจ็บปวดเหมือนรถบ้านโรงบามแต่เราไม่กล้าวิ่งพะลุมันสักทีมันก็ไม่ทะลุสักทีแต่ก็บริกรรมไปบางทีไม่นานสิบนาทีห้านาทีมันก็ทะลุมาได้เวลานั่งบริกรรมเนี่ยนั่งค้าวสบายก็ได้ไม่ต้องให้เกิดการเจ็บเพื่อถ้าถ้าไม่ถ้าสบายถ้าสบายมันก็ต้องเจ็บปวดนะเพราะถ้าสบายจริงๆมันต้องท่าคัดสมา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 ร้อยเปอเซ็นี้ก็ต้องนั่งให้มันถูกท่าแต่ถ้ามันนั่งไม่ได้ก็ต้องถือว่ามันก็เป็นเป็นข้อบกพร่องของเราแล้วก็าอาจจะไม่ได้ได้เต็มร้อยอาจจะได้แค่ห้าสิบหกสิบก็ต้องทําไปตามอัตภาพแต่ถ้าคิดว่าเรานั่งได้ถึงแม้ว่าในเบื้องต้นเวลานั่งมันจะเจ็บจะปวดก็หัดนั่งไปเพราะนั่งไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันอเส้นสายต่งางๆมันก็จะอ่อนเองเหมือนกับการดัดร่างกายแล้ว เวลาดัดใหม่ๆมันจะรู้สึกยากแต่ถ้าเราดัดไปเรื่อยๆจนกระทั่งเส้นสายมันเริ่มอ่อนตานี่ต่อไปเวลาดัดเหมือนกันเวลานั่งสมาธิใหม่ๆทุกคนก็เหมือนกันนีมันนั่งแล้วมันไม่สบายเพราะเราไม่เคยนั่งท่านี้มาก่อนแต่ถ้าเรานั่งนั่งไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆให้ต่อไปมันก็จะเท่าที่เ้วต่อไปมันจะนั่งสบายแล้วภาวนามันจะจะได้ไปไปได้ได้ไกาเพราะบางทีอาจจะนั่งนั่งภาวนาปีหลายๆชั่วโมง ถึงจะเห็นผลเลยถ้าเรานั่งแบบเก้าอี้นี้บางทีมันนั่งไม่ได้หลายขึ้นเลยถ้ลองลองดูลองลองลองหันนั่งดูถ้าไม่ได้จริงๆก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นข้อบกพร่องของเราแต่ถ้าเราคิดว่าเราอยากจะได้ผล ด, ดีเราก็ต้องลองฝืนมันถ้าไม่มไม่ถึงกับขัน้นทําร้ายร่างกายเราก็ทําก็พยายามฝืนมันไป แต่ถ้ามันทําไปแล้งทําให้เกิดร่างกายพิกลี่กลางขึ้นมาอย่างนี้ก็ต้องก็ต้องหลังนะก็ต้องถือว่าเป็นกรรมของเราที่มามารู้เรื่องธรรมะก็ตอนที่มันสายไปแล้วบทสวดพระชัรนี่สําหรับกำจัดความกลัวใชอไหมพรักกะนเออมาก็ไม่ค่อยไม่ค่อย <c oughs> อไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เออการสวดก็ มันก็เป็นอุบายอย่างหนึ่งที่จะดึงใจให้เราไม่ไปคิดถึงเรื่องที่เรากลัวเมื่อเราไม่คิดถึงเรื่องที่กลัวแล้วไอ้ความกลัวมันก็จะค่อยค่อยหายไปย้อนมันจะทําให้จิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วเราก็จะรู้ว่าความกลัวเนี่ยมันไม่ได้อยู่ข้างนอกมันอยู่ข้างในเราไม่นเกิจากใจเราไปคิดเองพอใจเราไม่ไปคิดตั๊ความกลัวหายไปปั๊ไอ้สิ่งที่เราคิดว่าน่ากลัวมันก็ไม่ได้มายุ่งเกี่ยวอะไรมันไม่เคยมายุ่งเกี่ยวกับเราเลยมีแต่เราไปยุ่งเกี่ยวกับบานสาร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 เวลาเวลาติตฟังในเรื่องเรื่องธรรมะเรื่องใจรักเรื่องอะไรเนี่ยจิตมันก็หมุนตานหมุนตานความเป็นจริงมันก็เลยมันก็ปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางความเจ็บปวดความเจ็บไายได้ปวดได้จิตมันไม่ได้เจ็บปวดด้วยเอย่างเพียงแต่ว่ามันทมงมันอยู่กับไอ้ความเจ็บปวดนั่นก็เลยเหมือนกับเป็นกระจกที่มันมันรับภาพเข้ามาแล้วก็เอามาแบกไว้ในใจว่าทั้งเจ็บทั้งปวดทั้งไม่สบาย แต่าจริงไอ้ตัวที่ว่าฉันเจ็บฉันปวดฉันไม่สบายนี่มันไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดไม่ได้สไม่ได้ไม่สบายไปด้วยแต่มันเถอะไปทั่นเองแต่พอมีใครมาพูดมาคุยมาสัรมาาธรรมะเล่าให้ฟังจิตใจมันก็กระสบขึ้นบุบบางพอฟังทร็จก็ลุกขึ้นมายืนยืนนอนเถินได้ท่าทาที่ร่างกายก็ยังเป็นเหมือนเดิมก็ยังเจ็บเหมือนเดิมอยู่แต่จิตมันไม่ได้เจ็บจิตมันก็สามารถจิตมันเหนือมันเนียมหนาจเหนือร่างกายไงมันสามารถที่จะ คล้คลายๆว่าพื้นพื้นได้พื้นที่จิตเนี่ยไม่ได้พื้นที่ร่างกายโรคภัยก็ยังอาจจะเป็นในเวลาที่ครูบาอาจารย์ท่านไปตรวจคนที่ น, นี่ก็พูดเรื่องธรรมะนี่แหละในธรรมะเพื่อปรวจจิตใจของเขาไม่ได้ไปตรวจร่างกายเราพ่ออาจารย์ครูบาอาจารย์ไม่ใช่เหมอไม่ได้ไปรักษาร่างกายโรคภัยแต่บางครั้งคาถ้าโรคภัยมันเกิดจากจิตเองไปทําให้มันเกิด เป็นขึ้นมา ถ, าถ้าจิตหายภาพร่ า, างกายมันก็หาได้ด้วยเช่นมีพมีหมอเคยเล่าให้ฟังว่ามีพระชอบไปหาให้รักษาว่าปวดทางนั้นปวดทางนี้หมอก็ตรวจร่ า, างกายดูทุกอย่างเขาก็ไม่เห็นว่าเป็นอะไรก็บอกว่าพระบอกพระพ่อไม่เป็นอะไรร่างกายแค่เป็นกระติ้นเองแต่พระเ้าเขาบอกว่าเขาก็ยงังเขาก็ยงัเยงเจ็บเขาก็ยังปวดอย่างนั้นแหะไต่ต่อมากไม่นานรู้สึกว่า พอท่านลาสิขาไปปท่านก็ไม่เป็นอีกเลยพอเวลามันบวกล่ะมันเครียดเนี่ยไม่อยากจะไปทานู่นทํานี่ก็ไปไม่ได้อยากจะกินนู่นกินนี่ก็กินไม่ได้มันก็เครียดบางเครียดหนมันก็เลยทําให้เกิดรู้สึกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ขึ้นมาพอมันทําได้ตามใจยอยากแล้วมันก็หายหายเจ็บหายปวดขยัน ทีเราเราไม่ได้กหนดิตแตว่าเราจะ้ขึ้นช่งชั่วโมงึ่งองเง้ยะาเวลาได้ตัวเป็นเตเป็นเขอเราก็หนิได้หรือเป็นข้อเากหนเรื่องเวลาแล้วเราเราสามารถกหนดลาได้มันก็จ็ตเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็เราจะกำหนดเรื่องเวลาได้เช่นเวลานอนนี่เราอยางบอกจติ่กินงนี้ก็จะตื่นตนั้นเสมอเป็นการตนไป มันโนมากนเราบอกว่าเราขึ้นชั่วโมงตอนนั้นตักแล้วเราเป็นเงาตก็ขึ้นชั่วมงหรืชั่วโมงมันมันสามารถกำหนดได้เองครับก็คงจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ว่าเท่าที่ผ่านมาก็มันก็สามารถกําหนดได้แต่าจะไม่ตายตัวเตะๆเลยอาจจะไม่ตรงตรงกันแต่เท่าที่สังเกตดูเวลานอนเราอยากจะตื่นกี่โมงนี่เรากําหนดไว้ล่วงหน้าก่อนพอถึงเวลานั้นมันก็จะมันก็จะตื่นขึ้นมา ค้แค่ว่าเรามีจิตทีงไม่กยยุ๋อยู่กุภาย ใ, ในใจมันจะคอยคอยเตือนเราอยู่พอถึงเวลานั้นปั๊บ้ันก็จะความนิสัยขึ้นมาแต่การนั่งภาวนานจริงๆควรจะไม่ควรไปใช้เวลาเป็นตัวกำหนดควรจะใช้ผลเป็นของการภาวนาเป็นตัวำกำหนดจะดีกว่าคือบางทีกำลังจะเข้าได้เข้าเข็มก็ถึงเวลาแล้ว มันก็เลยไม่ได้ผลเท่ า, าที่คิดแต่มันก็ยังมันก็ยังได้อยู่แต่ถ้าดีเวลาภาวนาอย่าไปกำหนดเวลาได้ถ้าหนูกว้างไว้เนี่ยดีกว่าขอขอบอกขอข อ, ขอให้ได้นั่งนานๆได้ภ า, าวนาไปนานๆก็แล้วกันจนศาตจะได้ผลหรือจอกนกระทั่งทนไม่ไหวต้องลุกขึ้นมา ก, ก็ก็แล้วไป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 พอเมื่เริ่มเห็นผลแล้วมันจะเปลี่ยนอาชีพได้มันจะมันจะเปลี่ยนอาชีพจากการเป็นนักธุรกิจเป็นอะไรได้แล้วจะมาใช้นักภาวานาได้เม่อีจิมตมันไม่สงบมันท้อแท้ก่อนได้มันไม่เห็นผลมันทํางานแล้วไม่ได้เงินเดืน<พ>อนทุกที่ขึ้นขึ้นเดือนเจ้เจ้านายก็ไม่ยอมจ่ายเงินเดือนมันก็เลไม่มีกำลังใจเปลี่ยนอาทีพจากนักลงทุนนะ่ะ น, นักลงทุนมาเป็นนักภาวนา จริงวันนี้ท่านอาจารย์ตอบคำถามทั้งหมดนะคะพอดีเมื่อวานในน้องคนหนึ่งบอกว่าเขาไม่ทราบเป็นเพราะอะไรศรัทธาเสื่อมลงไปก็เลยไม่ได้จะใช่น่าดจะเป็นเพื่อคิดเขียนนั่นแหละคือความทอดแท้ยังี่มันทําไปแล้วมันไม่ได้ผลมันก็คิดเหมือนมันก็ว่ามันเสียเวลาก็ไม่อยากจะทำเกิดความทอแท้ถ้าต้องถึงลึกถึงพระพุทธเจ้ากับพระครูบาอาจารย์เลยเป็นหลักครับ ใ้สามาราเราเจอความท้าทายก็ต้องลึกถึงว่ามันต้องต่อสู้มันต้องอดทนต้องมีความมุ่งมา่นะต้องทําไปเรื่อยๆเหมือนกับการรับประทานอาหารบางวันเราไม่อยากจะรับประทานอาหารเราก็ยังต้องฝืนรับประทานเพราะรู้ว่าเดี๋ยวไม่รับประทานแล้อยู่๋ยวมันจะหิวนะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราไม่ทําเดี๋ยวข้างหน้าเราจะแย่กว่าเดิมเพราะเราจะถอยหลัง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 งานทสื่อเมบอนว่ากาแขงแล้วถ้ามัหาเราแาวไม่ไม่ไื่หยุดนหรือว่ารไม่สไม่ได้ก็ให้เลิกไปแลวนะมันเป็นอย่างนี้ความความนันคือหมายความว่าถ้าเราพยายามเต็มที่แล้วมันไม่ได้จริงๆก็ก็หยุดไปบ้างก็ได้ไปบ้างก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าพอไม่ได้ปั๊บก็ไม่เอาเลย ก็ต้องฝืนไปก่อนฝืนไยังกระทั่งมันมันไม่ได้จริงจรงมันไม่เกิดประโยชน์อะไรจริงๆริเกิดความเครียดเกิดความทุกข์มากกว่าจะได้ประโยชน์ก็ก็ปล่อยไปถ้าค่ะใถ้าอย่างนั้นถ้าตรงกันข้ามนะคะท่านคุูพี่นั่งแก่ติดติดนาทีเลยแคเขาก็นิ่งแล้วค่ะก็ให้พิจารณาเลยใช่ไหมคะไม่ตอนที่นิ่งอย่าไปคิดยังไงให้มันหายนิ่งก่อนให้มันนิ่งจนกระทั่งมันถอยออกจากความนิ่งแล้วค่อยค่อยคิดยังไงให้ถอยออกจากความนิ่ง เวลานิ่งมันต้องออกมาจากความนิ่งก่อนไนงะมันจะนิ่งแล้วมันไม่นิ่งไปตลอดเวลานิ่งอย่าไปทำอะไรมันให้มันหายนิ่งก่อนให้ิดถอยก่อนดอ้อยใช่เวลาน้อนหลับอย่าไปเตะ อ, อย่าไปปลุกให้ตื่นขึ้นมาทำงาน่อให้นอนให้ช้าช้าตื่นขึ้นมาเอง ไม่ใช่ว่าพอยอนอนเองหลังพอรู้สึกว่าจะหลับก็รีบลุกขึ้นมาลุกมันทางานเนี่ยมันยังพักไม่พอมันกึ่งหลับนี่อย่าเพิ่งไปปลุกมันควรจะเป็นกี่นาทีคะก็นานที่สุดเท่าที่มันจะนานได้มันนิ่งได้นานเท่าไหร่ยิ่งดีแต่า่ละวราระก็ไม่เหมือนกันเขาบอกสังเกตตัวเองจะนิ่งได้เลยสิบนาทีหนาทีแค่นี้ก็ปล่อยมันนิ่งไปเรื่อยๆจนกว่าจะเลิกจากการนั่งแล้วค่อยมา ค่อมาพิจารณารลอกขึ้นมาเดินพิจารณาก็ได้ไม่ต้องนั่งพิจารณาก็ได้เวลาพิจารณานี้ไม่ต้องให้มันนิ่งล่ะเราต้องการเหตุต้องการผลเราต้องการความเข้าใจไม่จําเป็นที่จะต้องให้มันนิ่งเวลาพิจารณาปั ญ, ญญานี้อย่าไปกังวลเรื่องความสงบเพราะไม่ใช่เป็นผลที่เราต้องการเราต้องการความเข้าใจเพ่อปล่อยวางพิจารณาไปเรื่อยๆให้เห็นว่าเป็นงูพิษ ตอนนี้เราเห็นว่าเป็นงูเป็นงูไม่มีพิษแล้วตอนที่เราลืมตาเราก็พิจารณ์น้ำออไปได้ได้อยู่ในรบทต่างๆทำงานทำการก็พิจารณาได้แเวลาได้เงินมาก็พิจารณาได้ว่าเงินมันก็ไม่เที่ยงนะนด้มเดี๋ยวมันก็หมดไปอะไรอย่างนี้มันพิจารณาได้หมดแต่ปัญญามันอยู่ได้ก็ตาเห็นลูกก็พิจารณาได้ละลูกก็ไม่เที่ยงละลูกก็เป็นทุกข์ละลูกก็เป็นอนัตตา เสียงก็เหมือนกันอะไรก็เหมือนกันมันพิจารณาได้หมดเรื่องปัญญาแต่เวลาทําสมาธิเนี่ยมันต้องวิเวกมันต้องสงบสงัดมันต้องการเหมือนกับคนนอนหลับเนี่ยไปนอนกลางสี่แยกไปแดงมันนอนไม่หลับเพราะมันหนอะไรมารบกวนแต่ถ้าเรื่องปัญญาอยู่ที่สี่แยกไปแดงก็พิจารณาได้เห็นอะไรเห็นการเคลื่อนไหวไปมาก็พิจารณาว่าเป็นของไม่เที่ยงได้เป็นทุกได้ไม่ไม่ไม่แล้วนี่งก็เพื่อเพื่อต้องการที่จะช้าแบบ น่าจิตใจไม่ใช่เสียบแดดเข้าไปเสียบเเอออมันก็ไม่มีกําลังมันไม่ได้พักให้มันพักเหมือนกับกินข้าวคนทํา ง, งานจะไปทำํำภาพเวลาจะไปทํา ง, งานต้องหลับนอนให้สบายกินข้าวให้อิ่มแล้วค่อยไปทํา ง, งานไม่ใช่ทําทั้งวันทั้งคืนไม่หยุดไม่กินข้าวเลยไม่กินน้ำอย่างนี้เดี๋ยวมันก็หมดเลยแสดงว่าพวกเราดิ้นนิ่งกินชั่วโมชั่วโมงไม่นิ่งอยู่นะถ้ามันนิ่งก็ปล่อยมันนิ่งไปอยู่ได้ แต่พอออกจากความนิ่งแล้ว<ม>พอออกมาทำ<ม>ทำนู่นทํานี่ก็อย่าปล่อยใจให้ไปคิดตา ม, มเรื่องตามราวเหมือนเมื่อก่อนนี้พิจาราทิจาราล่างกายนี้ไปก่อนเลยแต่ทิจาราไม่ได้ที่จะทิจาราได้อยู่ใช่ไหมแต่ทิจารจารก็ได้บางทีทิจารแล้วมันก็ทําให้นิ่งได้ที่ย<ม>ปัญญาอบรมสมาธิบางทีที่รับนั่งบริกรรมแล้วมันพุ่งซ่ามันไม่สงบก็พิจารณาไปก็ได้ เช่นนั่งไปแล้วเกิดเกิดเกิดเวทนาขึ้นมาก็พิจารณาเวทนาว่าเวทนานี้ก็ไม่เพียงเดี๋ยวก็ระดับไปของมันเองไม่ต้องไปวุ่นวายกับมันปไยมันไปมันจะเจ็บเลยให้มันเจ็บไปร่างกายมันไม่รู้เรื่องหรอกร่างกายก็เหมือนกับพื้นมันเป็นเหมือนกับไม้ร่างกายกระดูนี่มันก็เป็นเหมือนกับท่านไม้ท่านเถินนี่เองมันไม่รู้มันไม่รู้จับความเจ็บหรอกมันไม่ได้เจ็บหรอกไอ้ที่เจ็บไอ้ที่ตัวรู้ก็เคยเจ็ แต่จิตมันก็ไม่มันก็ไม่ได้เป็นตัวที่เจ็บกับไอ้ความเจ็บนี้แต่ความเจ็บนี้มันมาปรากฏให้ให้เห็นอยู่ในจอของจิตนี้เท่านั้นเองแล้วจิตทำไมจะต้องไปวุ่นวายกับมันทําไมก็ปล่อยมันปรากฏขึ้นมาของมันไป่อพิจารณาไปนี้แล้วมันต่างอไปมันก็ค่อยๆปล่อยวางได้ปล่อยวางแล้วไอ้ความทุกข์ที่เกิดจากสมุทัยมันก็จะไม่มันก็จะไม่ไม่ปรากฏขึ้นมา ไอ้ตัวที่เป็นทุกข์ที่ทรมานจริงๆนั่นคือวอาตัวทุกข์ที่เกิดจากสมุทัยในจิตใจของเรานนเนี่ยที่เกิดความอยากให้ความเจ็บนี้หายไปหรืออยากจะลุกหนีจากไอ้ที่นี้จากไอ้ความเจ็บนี้ไปไอ้ตัวนี้ถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะทําให้เรานั่งต่อไปไม่ได้แต่ถ้าไอ้ตัวนี้มันไม่เกิดแล้วถึงแม้จะเจ็บมันก็เป็นความเจ็บที่พอที่จะรับรับรู้พอที่จะทนกันไปได้ การเคอย้ายเคื่อทงานเช่นก่นีจริงแล้วตรงนั้นถึงว่ามันมันไม่ได้เปง่าว่าถ้าเราต้องทอะไรนก็จะ้นเคทุกครงขนนั้นเดควรจะใจับอันอันนี้อย่าบอกก็ได้ทั้งสองย่างให้รู้อยู่การการกระทำการงานนั้นก็ได้กำลังถือพื้นจะให้มีสติอยู่กับการถือพื้นให้รู้อยู่อันนี้เป็นการเจริญสติ ถ้าจะไม่มีถ้าไม่มีสติ mm S <S เราจะทําให้จิตอยู่กับส nah, ิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นอยู่กับพุทโธมันก็จะไม่อยู่เช่นเราไม่มีสตินี่เราพูดโธได้สองสามสีมันก็แวบไปคิดเรื่องนั้นยังมีแล้วแต่ถ้าเรามีสติต่อไปเราจะสามารถควบคุมให้มันอยู่กับพุทโธพุทโธไปได้ตลอดเวลาอย่กับพุทโธมันอยู่ก็ทำก็ทำแต่ว่าอาันเราไม่รู้นึกไม่หนักตาขึ้นใหม่นะ ก็แล right? ้วแต่ไงเราเราเราเราถนัดเราจะให้รู้อยู่กับการเคลื่อนไหวก็ได้หรือเราจะให้อยู่กับพุทโธก็ได้แล้วแต่แต่ความจริงเวลาเราทําอะไรเราก็รู้อยู่กับการกระทําด้วยเพียงแต่ว่าบางทีเราไม่มั่นใจกลัวว่ามันยังจะแวบไปทิดเรื่องอื่นด้วยในขณะที่เราทําอยู่แล้วก็เอาพุทโธเข้ามากํากับอีกชั้นหนึ่งคือรู้กับการกระทําแล้วก็มีพุทโธกํากับไปด้วยเพไมะใช่แค่บางทีเรารู้อยู่แต่แล้วก็อดที่จะคิดเนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ ให้บางทีก็บ่นว่าเกิดมาทําไมต้องมาทํางานเหล่านี้เป็นเวรเป็นกรรมอย่างไรมันก็อาจจะคิดได้เนี่แต่ถ้าเรามีพุโทโธพุโทโธกํากับไปด้วยมันก็จะไม่คิดเอะไรอย่างน้แต่ถ้าถ้าเรามีสติ ท, ที่คาดว่าแข็งมากเนี่ยเราเพียงแต่รู้อยู่กับการกระทําแล้วรู้ว่าเรากําลังคิดอะไรไม่ไม่ที่บางทีเราก็ไม่ต้องพุโทโธก็ได้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 มันไม่ต้องบังคับลากเท่านั้นมันจะคิดแต่เรื่องธรรมะอย่างเดียวมันจะวนเวียนอยู่กับใจนักวนเวียนอยู่กับรูปเวทนาสัญญาสังขารยิยง่งยังไม่ไปคิดเรื่องอื่นคิดเรื่องอื่นก็จะเห็นว่าเป็นรูปสิ่งเวทรูปสียงกิริย์รถโพธิภพเท่านั้นนะทุกอย่างในโลกนี้มันก็มีแค่นี้เห็งที่เราเห็นด้วยตาก็รูปสิ่งที่เราได้ยินด้วยหูก็เสียงที่สัมผัสด้วยม้นก็รถ ที่มาทางจมูกก็กิน่นที่มาทางร่างกายก็เป็นโภชพระมันก็มีแค่ น, นี้แหละในโอกนี้มนไม่มีอะไรนอกจากนั้นก็มีความคิดต่างๆที่มันเกิดขึ้นในใจเราที่เรียกว่าเป็นเป็นธรรมารมณ์เนียถ้าเรามีสติมีปัญญาพิจยารยณาอยู่ในเรื่องเหล่า น, นี้เราก็จะเห็นว่ามันเกิดดับเกิดดับมันไม่มีสาระอะไรเห็นรูปมากี่ร้อยกี่แสนรูปแล้วมันก็ผ่านไปได้ยินเสียงมา มากน้อยเพียงไรมันก็ผ่านไปมันจะวิเศษวิสโสจะจะจะดีจะช่วยอย่างไรมันก็หมดไปมันก็ผ่านไปงั้นเวลาเราสัมผัสกับมันอย่าไปยึดอย่าไติดกับมันแลอย่าไปกลัวมันมันไม่ดีก็ทนฟังไปใครด่าก็ทนฟังไปกต่เท่านั้นเองต้องมีกําลังจะ ด, าด่าเท่าไหร่ก็ป่อนก็ด่าไปคนฟังมันง่ายกว่ามันสบายกว่า น, นั่งอยู่เฉยเฉยไอคนด่ามันเหนื่อยกว่าใช่ไหม หลายคนฟังกับเดือดร้อนมากกว่าคนด่าเพรไม่มีปัญญานั่นเองถ้ามีปัญญาแล้วนั่งฟังได้ใครจะพูดอะไรก็พูดไปแล้วก็เหมือนกับเรานั่งฟังเพศทางธรรมไปคิดเองมือโดนโดนลูกค้าต่อว่าจ้ะค่ะก็พูดโตพูดโไปลูกค้าก็ยิ้ว่าอก็ไม่ได้ยินหรอท เราถ้าเขาบอกว่าเพราะเรื่องการงานเราก็ต้องฟังใช่ไหมถ้าเขาเป็นลูกทาเราก็มีปัญหาเราก็ต้องฟังเราฟังแต่เราแก้ไขเองถ้ามันเป็นเรื่องของอารมณ์เรื่องที่มันไม่ยินเห็ น, นผลเราก็ปล่อยไปมันก็อย่าไปถือสาเขาคิดแต่ว่าเราเป็นกระถอนรองรับอารมณ์เขาก็แล้วกันเป็นการทําบุญก็เลยว่าให้อภยัยให้พยาธิอะไรเขาพูดอะไรไม่ถูกรู้เราเราก็ไม่ไปกดแค้นกดเคืองเขา ปล่อยให้เขาระบายให้เต็มที่เหมือนกับเขาอยากจะระบายความทุกข์ในใจเขานั่นเองต้องให้มีคนอย่างเวลาเรามีความทุกข์บางทีเราก็อยากจะหาเพื่อนคุยใ้เพื่อช่วยระบายความทุกข์นี้ให้ท้องได้ช่วยแก้ปัญหาให้กับเราแล้วก็ฟังไปเราถ้าเราช่วยเหลือได้เราก็ช่วยเขาไปถ้าช่วยไม่ได้เราก็เราก็ยิ้มยิ้มแล้วก็แต่เราเป็นกรรมของศัตรูแล้วกัน คุณปล่อยวางไม่เป็นเท่านั้นเองถ้าปล่อยวางเป็นมันก็ไม่มีปัญหาอะไรพอเราไปยึดไปจิดเนี่ยมันไม่ได้สิ่งที่ตอนยังยึดติดอยู่มันก็วุ่นวายใจเฮ้ย ผมก็ได้แต่ยังร้องไห้ทั้งวันนี้ก็มาล็อกแล้วต้องลุกขึ้นล็อกตรงปัญาต่างๆนะจ๊ะมันแล้วแต่ว่าจิตสงบไม่สงบถ้าจิตสงบแล้วเวลารุกขึ้นมามันจะไม่รู้สึกเหมือนเรได้นั่งเลยไม่เป็นไรเลยแต่ถ้าเวลาที่มันไม่สงบเนี่ยมันจะรู้สึกว่าโอ้โหเกี่ยวกบอะามาเพราะจิตเราไปยึดไปติดกับร่างกายมันไม่ปล่อยมันกลยว่ตที่เวลาา มอหมอจะห้าไม่ให้นั่งกั้นสมินั่งทักเทียบถว่าเ็เกี่ยวกับรคขคือแต่ละคนนี่มันก็อาจจะมีปัญหาอย่างอื่นด้วยมันอาจจะไม่เกิดจากการนังก้นสมาโดยตรงอย่างเดียว S <S คือบางทีก็อาจจะมาปฏิบัติธรรมตอนที่เขาแก่แล้วสังขารไม่ดีแล้วก็ได้ก็ลเลยทานโทษสมาธิอาจจะนั่งแค่วันละชั่วโมงก็โทษว่านั่งสมาธิเป็นคนไม่ไมีปัญหากุ <S <S บาจารย์อย่างหลวงตาท่านนั่งทั้งคืน8ชั่วโมงมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกคือเราต้องรู้จักรักษาร่างกายเราด้วยต้องรู้จักทําโยคะรู้จักยืดเส้นยืดสายไม่ใช่ใช้มันอย่างเดียวเราก็ต้องรู้จักรักษามันแต่เวลาเราใช้มันก็ใช้มัน ไปแต่พอเราหยุดเราก็ต้องรู้จักประมาณน่ะคือร่างกายมันก็มีขอบมีเกสรความสามารถของมันถ้าเราไปใช้มันเกินความสามารถที่มันจะรับได้มันก็พิดุดชำยได้เหมือนกันแต่ยังไงยังไงมันก็เรื่องของวัยมันก็เป็นมีส่วนด้วยถึงแม้ไม่เคยนั่งสมาธิมาก่อนเลยมันก็เป็นได้โรคเสื่อมโรคอะไรต่างๆโรคโลคเ่าเสื่อมโรคอะไรเสื่อมไม่ต้องนั่งสมาธิก็เป็นได้ พระที่ก็นั่งสมาธิประจำเขาไม่เป็นโรคข่าวเสื่อก็มีทั้งเยอะแยะไป mm hmm. าาอย่างคุรายาอย่างยุตยาท่านอายุเก้าสิบป่าแล้วทำไมท่านก็ยังเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนได้อยูเพราะท่านก็ ร, รู้จักวิธีรักษาดูแลรักษาร่างกายของท่านท่านก็ทําโยคะอยู่ด้วยท่านก็มีท่าของท่านเมื mm ่อ hmm. ก, ก่อนในตอนเช้าท่านจะลงมาที่ตลาด ตอนที่พระลงมาจัดบาตจาก อ, าอะก่อนที่จะออกวินญาบาตถือตารากันก็านจะนั่งทาโยคะคุมพระอีกทีนึ่งแล้วก็จะเห็นท่าของท่านท่านทํายืดเส้นยืดสายแล้วท่านไปต้องเปลียายา่ยนอาวุธการเดินก็เป็นการช่วยช่วยเบ่งช่วยช่วยรักษาร่างกายถ้านั่งไปเรื่อยเรื่อเดี๋ยวร่างกายมันก็แย่ yeah. ถึงน่าลุกขึ้นมาเดินเดินเหยเดินยืนนั่งนอนเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไป แล้วท่านก็มีพระคอยจับเส้นให้เรื่อยๆเมื่อก่อนนี้นนนมีพระไปคอยอจับเส้นให้พระเส้นมันเติมมันอะไรเนี่ยมันยึดถ้าไปบีบเนี่ยมันก็คลายคายอย่างนี้ก็ไ้รหว่างไดนั่งนั่งท่านนั่งทำโยคะนี่ท่าเถื่อพระทำผิดท่านเห็นไหมคะรู้ไหมคะคงไม่เห็นนะรูอแต่ก็ส่วนใหญ่ก็ก็ไม่ใช่งานที่ละเอียดอะไรก็ดถึงกรากันไป เขาไม่มีอะไรที่ต้องทำผิดลกก่อนลูกตานเท็นเนั่งเท้าแขนโอ้โั้องดุอ่าาจะมายังเคยแล้วเนี่ยติ่นไม่จ่ายนี่ก็นั่งไงก็บอกมให้นั่งเท้าแขนอลาวาาาาาาาาาเป็นาาาา่าาาาาาาาาาราาาาาาาาาาไม่สุาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา แต่ท่าท่านท่านท่านมองมองเห็นไปอยู่ที่ว่าท่านจะพูดหรือไม่พูดกัีแต่บางทีท่านก็ต้องมาทําเองนะเพราบางทีมีพระที่หูหนวกตาบอดมาจากที่อื่นไม่รู้ว่าหน้าที่ของพระเป็นไงเช่นตอนช้าพระเราจะช่วยกันกวาดถูสาราแต่ถ้าเป็นพระบางทีมาจากกรุงเทพเนี่ยเขาจะไม่เคยกวาดถูสารามา ก, ก่อนเขาก็จะยืนเฉย บางทีลงใจนั่นก็ต้องลงไปถูเองกว่าเองเราถึงจะทําตามท่านเป็นตัวอยา่างเป็นตัวอยา่างแล้วท่านทําโยคะมีคะทาตัวอยา่างตามตัวอย่างท่านเลยครก็ทำค่ะทำที่ปฏิภาณแต่เราจะไปทําต่อหน้าท่านแต่เราเราแค่ว่าเราเราดูแล้วก็เราลองมาทําดูว่ามันดีไหมอะไรเงี้ยถ้ามันทำแล้วมันดีมันช่วยได้เราก็ทําไป เป็นนิยมก็นิยมนะพวกโยคะอะไรอย่างนาัมม้นยงน้แต่พวกนี้ถ้าเราถ้าเป็นพระเราก็ต้องทําในที่ส่วนตัวของเราไม่ไม่ได้ให้ทํำตามคือเพยแต่ว่าท่านเป็นคือกาๆว่าท่านต้องลงมาคุมพระจีแล้วท่านก็ใช้เวลานั้นให้เกิดประโยชน์ในการทํำกิจของท่านไปในตัวแทนที่ท่านจะอยู่ที่กุฏิท่านทํากิจของท่านแล้วก็ปล่อยให้พระละเลงกันเองบางทีไอ้คนขยันก็ทำแต่แทบเป็นแทบตายคนที่เกลียดก็ไม่ทํา แต่พอมีท่านอยู่แล้วทุกคนพยาผลไม้คนละมือพร้อมพร้อมเพรียงกันดีท่านเดินตัวจเป็นไงเปนก็เมื่อก่อนนี้ถ้าท่านก็เดินตรวจอยู่เป็นประจำท่านไม่ให้พระไปสูงสูงไปคุยกันตามจิติกต่างๆบางทีท่านเดินแบบไม่ไม่ใส่รองเท้าจะไม่ได้ยินเสียงท่านไม่ใช้ไปด้วยไม่ใช้ไปด้วย แล้วะไหลังนี้ไม่สราบแล้วทา่านยังเดินี้คอเป่าแต่บางทีท่านา็เดินนะเพราะท่านอาศัยเป็นอาศัยเป็นการคล้ายๆเปลี่ยนเนียบุตรบาทีก็ไม่มีเวลาที่จะเดินท่านก็เลยแค่ใส่ได้เวลาเดินก็เลยแค่มันเกิดประโยชน์หลายอย่างได้ประโยชน์านทางกายของท่านแล้วได้ประโยชน์การดูแลพระเนรไปในตัวด้วยแต่คนที่มีอายุถึงขนาดนี้ยังคเคลื่อนไมงนี้ได้นะถือต้องถึงว่าเก่งมาก อายุ90ป่าแล้วยังคล้ายๆยังคล่องแค่แว ว, ว, ว่างไวยังทำอะไรได้ด้วยตัวเองก็เปรียบเทียบกับสมเด็จพระสังฆราชต่างกันอเดียร์ท่านก็เป็นท่านในเมืองท่านคงจะไม่มีโอกาสได้ได้เดินได้เหมอนว่าร่างกายมันไม่นั่งรับแขนรับคนอยู่เรื่อยๆนี่นมันก็มันก็จะมึดหวกว่าะนะก็ะ สงบที่สังขารจึงของไม่เที่ยงยองพยายามทำประโยชน์ส่วนตนและส่วนท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่สมหวังจะให้คพรเลยนะนี่สวยสวยลงที่มีสกงบรักควรถามปัญหาจังหวะคือมีครูบาอาจารย์ที่เจอสังขารแล้วเราไปราธนาขอ้ท่านอยู่แล้วท่านอยู่ตอนเนี้ท่านนีู่ เม่ทุกคนอลัพนาเยอะแยะเลยแต่ว่าเพราะตอนนี้ท่านอยู่ได้แล้วเนี่ยสมถติ ว, ว่าเราต้องไปดูท่านทุกวันถึงว่าการที่เราไปเอาอาหารให้ท่านเลยเป็นการจูงใจเป็นแบบนี้คือจะทําไงเพราอถ้าเ น, นี่ยหนความรู้สึกว่าเราขอยท่านอยู่เราพอท่านอยู่แล้วเนี่ยจริงๆเราสันงทักสังขารท่านก็พูดสิ่งว่ามันก็อาจจะไม่ไห ว, ว, วอะ้รเนาะคือทุกคนขอหมดแต่ว่าพอพ อ, พอท่านอยู่กุ่คนก็เฉยเฉยละ ตอนนี้มีความสึกว่าเราก็มีส่วนหนึงแล้วเรามันเป็นความรับผิดชอบของเราไหมที่แบบเราจะต้องคอยพ<า>ิพิธภัณฑ์ถ้าเราแต่ถ้าเ<ต>ควรจะทําอันนีควาสึกวา่วาเพระาะ่ิพิธภัณฑ์ไทยบางทีมีพระอยู่อย่างเงี้ยมันเหมือนกับเราไปจุนจ้านเมื่อกีผู้หญิงก็ไม่ควรสมควรที่จะเข้าไปจะทำยังไงเพราะมันทุกแต่าอเนี่ยก็ถ้าเรามีผู้ชายพาไปด้วยปกติมีผู้แต่ถ้ท่านจะมีผู้ชายอยู่แล้วเอ ก็ไม่ไม่เสียหายอะไรก็ไปทําทําเท่าที่เราจะทำได้เค่ถ้าที่มันสมควรที่มันเหมาะสมแต่ถ้ามันทำแล้วเกิดความเสียหายก็ต้องก็ต้องก็ต้องเปลี่ยนจริงจรแล้วเหตุโอกาสหน้าเนี่ยถ้าเกิดสมมติครูบาอาจารย์จะสังขารไปเรื่อจบไม่ต้องเดืองดึงไหมเพราะมันเพราะพท่านอยู่่็ไม่ใช่ก็ทุกคนก็ว่าท่านจบก็ทุกคนก็โอกาจบจก็ไปก็อันนี้ก็แล้วแต่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 แล้วขอมันคือเราเนี่ยก็ไหนที่มันไม่ควรจะให้ก็ไม่ต้องให้เราต้องหยักแน่งอยู่กับความถูกต้องขณะที่เราไม่เหมาะสมก็ไม่ควรที่จะทวายท่านท่านจะโกรธจะเกลีแล้วก็เป็นเรื่องของท่านองคท่านนันจะไม่ทราบเองนะคือคือคุณหลงปู่อาจะไม่ทราบต้องตัดสินให้ดีอย่างที่ท่านพูดไม่ใช่ผู้ะหลวงปู่ที่ไม่ได้รู้เรื่องนี่ตรงนท่านไม่ได้เป็นผู้สั่งนะ ที่เทศของูท่านแม่เล่าหันข้อน่ค่ะเมื่อีทนบอกว่าเสมอตนนั่งแล้วเกิดสังเกดเวทนาเนี่ยถ้าเกิดบางครั้งเนี่ยนั่งปุ๊บแล้วเกิดเราก็โทโๆจโยกตัวเพื่อเพื่อให้เวทนาไปเนี่ยอันนี้ไม่ถูกใช่ไหอย่าไปยกยเพราะว่าเราเราเราอย่างเราต้องการเนีเราเราอย่าไปอยากท้มันหายทุกอย่างแต่คาเทศของท่านที่ท่านบอกว่าถ้าดื่นำลงไปให้ตัดตาคือว่าเราพังได้แค่ไหนจบแตตอนนี้เริ่มตัดเนี่ยพอเริ่มตัดปุ๊บ มันทําให้ครอบครัวมันแบบเราก็ไม่ดูแลแล้ว อ, อย่างเงี้ยมันจะทําให้คนืนเดืดอดร้อนแล้วใจนี้ันทำคือตัดในใจแต่ภายนอกก็ต้องทําต่อไปมีหน้าที่คำรับผิดชอบยังไงก็ต้องทําต่อไปตัดใจไม่ไปแบบนันเพราะอะไรภรรยาแต่ตอนนี้เอาหลวงปู่มาแบกบปุ๊บนีนก็ไปทุกวันทุกวันบางครั้งหน้าที่ของแม่หรืออะไรมันก็ปกุครั้งหรือของภรรยาก็ปกุบปง เราก็ต้องถือทางสายกลางคือต้องให้มันพอดีหน้าที่ของตนก็ต้องทำหน้าที่ของท่านก็ต้องทำก็ต้องก็ต้องแ บ, บ่งมีนไปให้มันไม่ให้มันผิดพลอดถ้าเราปัญหาก็คือว่าเราอาจจะเอาภาระมามากกว่าที่เราจะทาได้นังก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนว่าเราจะทำได้หรือเปล่า ถ้าเรารับมาแล้วเราทํามันไม่ได้แล้วก็เนี่ยมันก็สร้างสร้างความรู้สึกที่ไม่ดีเกิดขึ้นมาแต่เมื่อมันทําไปแล้วก็พยายามทําต่อไปให้ดีที่สุดแล้วอย่าไปหวังอย่าไปหวังให้คนอื่นเข้ามาส น, นเสริญเยี่ยมยอไม่ใช่ความคไม่อยากคนอืออ่จะ ก็<ม>อ ย, าอยา่อ า, บบยาไปกังวลถ้าเราเราเป็นคนที่บริสุทธิ์ใจการกระทําองเราเป็นความบริสุทแล้วก็ไม่เป็นไรื่องวิพากษ์วิจารณ์เป็นเรื่องธรรมดาอยู่ในโลกนี้มีทั้งมุทานมีทั้งสรรเสริญคู่กันไปแล้วมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นอยู่ที่ตต้องัดสินใจ ว, ว่าเอะแต่กมบริสุทธิ์ใจของเราเองจะ ท, ำทำําำตามที่เราอยากทากันนะถ้าเราไม่มีจิตใจที่มีความไม่บริสุทธิ์อยู่ก็ไม่เป็นไรเราทาไป เพื่อบุญเพื่อคุณส่โดยตรงเลยแต่ถ้าทำไปเพื่อหวังผลอย่างอื่นก็ควรที่จะแก้ไขเสียเอย๋ไปหวังผลตอบแทนเอามิตรจากผู้ที่เราไปไปไปดูแลไปอะไรกับท่านเราอยากจะได้บุญได้คุณส่อยากได้ท่านได้อยู่ได้ตรวจจัดต่อไปอย่างนี้เราก็ทําไปคนอื่นจะว่าเราอย่างไงก็มันก็เป็นคําพูดของเขาเราไปห้ามเขาไม่ได้ข เ, ขไไดขเขาจะคิดอย่างไร แต่ว่าเวลาเราทําอะไรก็ต้องระมัดระวังอย่าให้มันสอไปในทางที่มันมันไม่เหมาะไม่ควรขณะที่เราควรที่จะแก้ไขจับใจได้ก็ควรที่จะแก้ไขหรือให้มันพอดีการทำอะไรให้มันพอดีอย่ามันอะไรมันมากเกินไปมันก็ไม่ดีน้อยเกินไปมันก็ไม่ดีนี่จริตรงนี้เขาปัญหานี้ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาว่า เราจะพิจารณาเรือตัวไหนมันคือสายกลางตัวกลางมังยา ก, กยากออกยากเหมือนกันจึงต้องอาศัยอยู่กับครูบาอาจารย์นี่มันมันสบายมันไม่ต้องคิดมากเพราะท่านรู้ว่าเราอยู่กับท่านเถิดกับท่านเห็นวิธีที่ท่านปฏิบัติต่อบุคคลนั้นบุคคลนี้กับเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็เราก็จดจําไว้แล้วแล้วต่อไปมันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นมาตรฐาน <c oughs> ที่เราสามารถที่จะมาใช้กับการดําเนินชีวิตของเราได้ แต่ถ้าเราไม่มีมาตรฐานนี้เราก็จะควรหรือไม่ควรอะไรควรจะมากอะไรควรจะน้อยต้องอาศัยการศึกษาไปอย่างเง้ยอาศัยอาศัยึดต้องเวลาเราทำไรไปถ้ามันลอยควานพอดีมันก็จะมันก็จะเป็นปัญหาขึ้นมาเองเราก็จะรู้ว่ า, าทําแบบนี้มันไม่ดีเราก็เอาเอาความผิดพลาดนี้มาเป็นอาจารย์เราแทนถ้าเราไม่มีครูไม่มีอาจารย์เป็นตัวขบบับให้เรายึด ดำเนินชีวิตของเราไปด้วยแล้วก็ใช้การสังเกตดูว่าสิ่งที่เราทําไปนั้นมันพลาดอย่างไรมันถูกต้องอย่างไรเราก็เอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นเป็นมาตรฐานสอนถ้าเป็นถ้าเป็นถ้ารู้กันแล้วก็ไม่ต้องมามามาปฏิบัติทําให้เหนื่อยเห้ยากไม่ต้องไปโรงเรียนกันแต่เพราะพวกเรายังไม่รู้กันก็เลยต้องมาศัยการศึกษาการเ่าเรียนเป็น เป็นการสอนตัวนั้นวิธีที่ดีที่สุดถ้าเราทําได้ถ้ามีโอกาสก็คือให้เข้าใกล้ผู้รู้มากๆให้อยู่ใกล้ชิดกูบาจาังหรือให้มีกัละยาณมิตรที่ดีก็ได้เพื่อนที่เขาดีเพื่อนที่เขาฉลาดเขาเก่งกับเราเขารู้เรื่องดีเรื่องเชื่อมากกว่าเราเขาจะเป็นแบบฉำหรับผู้ดีสำหรับเราแต่ถ้าเราไปคบ คนพาลอันนี้เป็นลำบากเขาก็จะฉุดลากเราไปในทางที่ไม่ดีทางที่เสียหานได้ดังนั้นการครบคนก็เป็นเรื่องสําคัญพเขาจถึงแสดงจนรู้สึกว่าจะเป็นบทแรกในมงค ล, ลสุดเลยเราเซวนาจะบาลามาังบาลิตามนจะเซวนาอย่าคบคนพาลให้คบบัณฑิตบัณฑิตก็คือผู้รู้ผู้รู้ในทาง เรื่องบาปบุญคนโทษเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เร่องดีเรื่องชั่ก็ไม่มีใครที่จะเป็นเลอที่สุดเท่ากับพระพุทธเจ้าเราจรึงมีพระพุทธธรรมประสงค์เป็นสารณะนะเป็นครูนี่เป็นแบบเป็นฉบับเราจรึงต้องเจริญพระพุทธพระธรรมประสงค์อยู่เรื่อยๆคือศึกษาถึงชุดประวัติศึกษาถึงพรประวัติของครูบาอาจารย์ต่างๆศึกษาถึงคําสอนของท่านแล้วก็เอามาเป็นมาตรฐาน แต่เรามากักจะไม่เอามาเป็นมาตรฐานกันเวลาจะทําอะไรเรามักจะทําเป็นลืมไปว่าท่านสอนให้เราทําอะไระท่านห้ามไม่ให้เราทําอะไรถ้าถ้ายึดมาตรฐานนี้ยึดท่านเป็นมาตรฐานแล้วจะไม่ค่อยผิดพ่าดเท่าไหร่จะไม่ผิดหวังเท่าไหร่จะไม่เสียใจ เราเป็น่างบางทีเรามันชอบชอบยึดมาตรฐานของเราเองมากกว่าท่านอาจารย์อยากให้ท่านอจาอธิบายตรงนั้นเพื่อน้องจะได้เข้าใจก็เป็นว่าเขาจะเข้าใจท่านอาจารย์ว่าในการเรื่องลูกหรือการทำเนี่ยหรือเรื่องผู่ใ้ิจที่จะทให้ตัดในตัดในใจไม่ใช่ตัดใจน้ตรงนี้อยากให้ท่านอาจารย์อธิบายให้ก็เบลอละเหียดีเออไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องว้าวุ่นวุ่นรัวกับใครทั้งสิ้นแต่เราม pues like ีหน้าที่อะไรกับใครเราก็ทําไป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 เปลนเปลี่ยนการกระทำของเราใหม่ใ ห, หม่แต่จิตใจของเราจะไม่ไปกังวลกับผลที่ตามมาจะเป็นการชลดเิยจะเป็นการนินทาถ้าเป็นการนินทาถ้าเราฟังไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์ก็ดีเพราะคนนินทาบางคนเขานินทาด้วยจิตใจที่บริสุทถ้าอาจจะเห็นว่ า, าการกระทําของเรานี่ยมันไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมเราก็ควที่จะนํามาวิเคราะห์ดูถ้าเราไม่แน่ใจเราลองไปปรึกษากับผู้ผรู้ผู้รู้คนอื่นดูทีก็ได้ ว่าสิ่งที่ต้องนินทานานนี้เป็นอย่างไรถูกต้องไหนเราอย่าใช้อารมณ์เพ่อส่วนใหญ่คนเรามักจะมีอารมณ์ต่อต้านการ น, านินทาเสมอแต่เวลาสารเสแสนี้เราจะพร้อมที่จะรับเสมอจะจริงหรือไม่จริงเราพร้อมที่จะรับเสมอหน้าตาไม่สวยไม่งามคนเขาชมว่าสวยนางามยัางยอมแต่เวลานานนี้อะไรนี้จะไรหน่อยตัดไม่ได้เลยใช่ไหมสังเกตดู ยิ่งคนใหญ่ยิ่งโตเท่าไหร่นี้ใครไปตำหนิปิดเตียนหน่อนี่โอ้โหจะเป็นปืนเป็นไฟขึ้นมาเลย <c oughs> นี่เป็นเรื่องของกิเลสถ้าเรื่องของธรรมแล้วใครจะว่าเก่าวตัดว่าว่าเก่าวตาัด ต, ตือนตำหนิเอ่างไรก็พร้อมที่จะฟัง <c oughs> พระพุทธเจา้าจึงสอนให้พระมีการตาวารณากันเช่นวันวันสุดท้ายของปัญหาธรรมดาจะลงปฏิโมกข์ฟังพระปฏิโมกข์กันวันนั้นท่านจะยกเว้นไว้วันหนึ่งให้เป็นวันตาวารณา คำว่าภาวนาก็คือให้พระภาวนาตัวเองเปิดโอกาสคำว่าภาวนาก็คือเปิดโอกาสให้ผู้อื่นว่ากล่าวตาัณติดเตียนตอนได้เช่นเห็นเห็นก็นดีได้ยินก็นดีหรือสงสัยก็ดีในพฤติกรรมของข้าพเจ้าขอให้ท่านว่ากล่าวตัดเลียนข้าพเจ้าได้นี่คือการภาวนาของสง์เวลาที่ท่านจะออกพรรษากันพระทุกลูกตั้งแต่พระพระเจ้าวาดลงมาจะต้องภาวนาตัวเองในท่ามกลางประชุมสอน ก็อเปิดโอกาสให้แม้กระทั่งพระนวิกาพระบวชไม้ถ้าเห็นว่าถ้าทําผิดอย่างไรสามารถว่ากล่าวกัดเตือนท่านได้เลยนี่คือหลักของศาสนาเมื่อเราจะไปคิดว่าเราวิเศษวิโสถูกต้องเสมอไปแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็เปิดโอกาสให้ผู้อื่นว่ากล่าวพระพระลูกอื่นว่าเก่าวทำหนิติเตียนท่านได้เหมือนกันหลักของการปวารณานี้ก็คือเพื่อที่จะ ให้ผู้อื่นชี้เห็นชี้โทษของเราเพราบางทีเราจะมองไม่เห็นโทษของเราเองเรามักจะเข้าข้างตัวเราเองเสมอเวลาเราทำอะไรเราจะคิดว่ามันถูกมันมันดีมันงามเสมอแต่ในสายตาของคนอื่นก็อาจาจะเห็นน้าหวงดูไม่ได้ก็ควรที่จะตกโอกาสให้เขาพูดได้ว่าได้แล้วส่วนจะเราจะนำไปแก้ไขดับแตงอย่างไงก็ขึ้นอยู่กับการพูด กับเหตุกผลที่เขาแสดงมาทีถ้าสิ่งที่เขาพูดนะั้นมันถูกต้องเป็นความจริงเออเรานี่ไม่ดีจริ ง, รงๆเราควรจะแก้ไขถ้าเรานําไปแก้ไขเราก็จะได้รับประโยชน์คนที่เขาชี้โทษของเราก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเราเป็นผู้ที่จะได้รับประโยชน์คนที่เขาชี้โทษให้เรานั ء, ้นเหมือนกับชี้ขุมซรัพย์ให้กับเราคนที่เขาว่ากล่าวติเตียนเรานั้นเป็นคนชี้ขุมซรัพยให้กับเราเราควรที่จะขอบอกขอบใจเขา มากกว่าที่จะไปกดแค้นกดเทืองเขานี่คือหลักของการภราวนาทุกปีเวลาพระจะออกพรรษาวันวั น, ว, นวันขึ้นสิบห้า่ำเดือนสิบเอ็ดเนี่ยนี่เลยวันภาวนาจะเป็นวันแทนที่จะลงลงลงฟังพระปฏิโมกคือสิสองอยี่ 2.27 เจ็ดข้อวันนั้นจะยกเว้น1งวันให้เป็นการภราวนาเริ่มต้นนั่นแต่พระเทระผู้ใหญ่ ท่านจะต้องภาวนาตัวเองตั้งคำอาอุษโซปาวาเรมิเบเทนวาสเตนวาปาลิสั่งกายวาคือเป็นการพูดบอกว่าถ้าท่านทั้งหลายเห็นก็ดีได้ยินก็ดีหรือสงสัยก็ดีในพฤติกรรมของข้าพเจ้าขอให้ท่านตรวจว่ากล่าวถกเถียงข้าพเจ้าด้วยเถิดแล้วก็จะว่ากันไปทุกทุกองคตามลําดับไปแต่ในสมัยนี้ก็เป็นการเปลียนจากเป็นพิ ธ, ธีแล้วนะ ยไม่มีใครกล้าว่าใครเพราะว่ากันครบทุกองค์แล้วก็จบแต่แต่ถ้าในวัดกรรมฐานนี่ก็ถือว่าปภาวณากันตั้งแต่วันแรกที่เราเข้าไปในวัดท่านแล้วเราเข้าไปในวัดท่านนี่ถือว่าเราต้องฝนอากาศให้ท่านว่ากล่าวคำนิพพิทเรนเาได้เป็นลูกศิษย์ลูกหาอยู่กับครูบาอาจารย์นี้ท่านจะดูดกระดาว่ากล่าวยังไงก็ต้องต้องทนฟังไปพอเราไปเพื่อสิ่งนี้อยู่แล้ว เราไปเพื่อที่เราจะได้ดีเราจะดีได้ก็ต่อเมื่อเราแก้ส่วนที่บุกรองของเราถ้าเราดีจริงแล้วเราก็ไม่ต้องไปแต่ถ้าเรายังไม่ดีเราต้องอาศัยผู้อื่นท่านก็เป็นเหมือนกระจกเงาเนี่ยเวลาเราแต่งตัวเราจะไปรู้ได้งไงว่าหน้าตาของเราเป็นอย่างไรถ้าเราไม่มีกระจกเราจะแต่งหน้าทาปากอวี๋้าวีผมใส่เสื้อผ้าให้มันดูสวยงามเรียบร้อยได้อย่างไรถ้าเราไม่มีกระจกไม่ดู อัใดเราอยากจะเป็นคนดีไม่มีที่กาเนิไม่มีครอบคบคล้องเราก็ต้องอาศัยผู้ที่เขารู้ดีกว่าเราเป็นคู่คอยว่ากล่าวตักเตือนเราแล้วเราจะได้นาออกไปแก้ไขแล้วเราก็จะได้การเป็นคนที่ดีขึ้นก่อนเดิมเอาแล้วนะ <c oughs> อ่า <c oughs> ยะถาวาริวหาปุระภาริปุเรนติสักหังเอวเมวะอิโจึนางติตานางอุปาปติอิชิตังปติตังตุมหังคิะเมวะสมิจเตตุสัพเพุเรนตจังกะตายังโทปัญญาสุยถานติโชติระสมุยยถาสพิติโยวิวะาตุ สัพพะโรโขวินัตมาเตภวะวตรยสุทีทีขายิโภวะอภิวะธนสิลิศะนิจังุาจายิโยจตารมวะันติอโนสุขภา ห, หล่อสุดจีนจะไปฉลองกันนะของสุดจีน <c oughs> ต้องไปไว้ต้องไปไว้เจ้าไว้อะไรเนี่ย พารนนี้ไว้ที่ตติที่เราต้จกายทางกจะรก็เ็นงทามันต้องไปเต็ั่แปลว่าทุกทางใจนีเป็นการที่ต้องรับได้ใช่เราสร้างมันขึ้นมาเองด้วยความด้วยความไม่อยากความไม่ชอบอะไรอย่างนี้ต้องเราต้องแก้ถึงตรงนี้ ใช่แต่มันก็ไม่สุดยุายสายใหม่ๆก็ทําไปเรื่อยๆมันก็จะง่ายขึ้นไปก็เป็นงานที่เราต้องทำอยู่ใช่ไหมครเนี่ยพราะชาตามันก็เกิดเพราะาตมันก็เกิดขึ้นจากตัวเนี้ยเพราะที่เราทำทุกวันนี้เราต้องงานนี้ตัวนี้ที่เสร็จก็ถือว่าเราเริ่มต้นก็แล้วกันเมล่อเราเริ่มต้นมันก็ยากหก็นมลูกค้าเหมือนเด็กที่กําลังหัดเดินเริ่ต้นก็ต้องคานไปก่อน ลกขึ้นมาบ้างแล้วก็ทานบ้างบ้างนะถ้าเราไม่ไม่ไม่ฝึกไม่ทํำเลยมันก็ไม่ก้าวนะาพบชาติที่มาเกิดจะมันน้อยก็จะเสียไปโดยปล่าเลยเพราะเป็นเป็นพบชาติเดียวเนี่ยเท่านั้นที่จะสามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้พบชาติอย่างอื่นก็จะไม่ค่อยมีโอกาสทำเป็นเทวดาก็จะมีแต่ความสุขก็ไม่ค่อยกังวลไม่ใช่เดือดร้อนเป็นเดรัจฉานก็ทําไม่ได้ไปอยู่นรกก็มีแต่ความ ทุกมีแต่ความทรมานไปทําอะไรไม่ได้เลยมีแต่พบของมนุษย์นี้เท่านั้นเนี่ที่จะสามารถปฏิบัติทำได้จรับสมบุญบารมีได้แต่ได้แต่กินกินบุญเก่าเท่านเท่าน้เขาไปสวยสุขของเขาเขาจะไม่ค่อยเจอความทุกข์เท่าไหร่ก็เลยไม่มีทิ่ให้เขาต้องมาแก้เพราะเทวดานี่มีแต่ความสุขอย่างเดียว เรื่องการปัญหาเรื่องเกี่ยวครอบครัวแล้วเรื่องเกี่ยวกันให้เวลาครอบครัวมีปัญหาคนที่เข้ามาก็คือพวกละวางแต่ละวางกันละเลยเีมันทีจะคืค้ก่อนเลย ละเลยมันไล้ทำให้ครอบครัวเสีแล้วละวางมันก็จะอย่างต้องนานต้องทําบบคามคนดีตรงนี้ยยากเหมือนกันจริงๆอยากละวางหน่อยแต่ว่าคนเนี้ยกูก็ขาวันละเลยปัญหามูกมัดจะเกิดตรงนี้นะแล้าเราเราจะพยายามคับครองสองส่วนนี้ให้บารลานอย่างไรเนี้ยตรงนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างบางทีก็ตัสินบากเหมือนกันอย่างเนี้ย สงสัมมทิตไม่มาอยู่บ้านเลยไปโบวัดเลยสิ่งที่ว่าเราโชคดีบางพีลูกโตแล้วลูกไม่เ้าไมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะเขาตื่นข้นใจไม่เขาม่มีปัญหาบาห่งเขาไม่ไม่ไม่ไม่เป็นอย่างที่ว่าทีก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการคือถ้าหน้าที่ของเราปฏิบัติกับเขาได้ครบถ้วนบริบูรณ์ถ้ายังไม่พอมันก็เป็นเรื่องของตั้หาของทอง จะต้นหาขึ้นเล็กๆแล้วละระเลยทะลุหนึ่งเห็นแต่ว่ามันอาจจะไม่เหมือนกับตอนเริ่มต้นตอนที่เรายังไม่เคยเข้าวัดเพราะนั้นเราอาจจะให้เขาได้อย่างเต็มที่ว่าต้องการเท่าไหร่เราก็ให้เขาได้แต่ตอนนี้เราเริ่มอยากขอแบ่งเวลามาให้กับตัวเราบ้างเขาอาจจะไม่เข้าใจก็อาจจะต้องอาศัยการทําความเข้าใจกันอาจจะคุยกันบ้างแต่ว่าชีวิตเราก็ใกล้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 แต่ถ้าเรามาทางขอไปทา ง, างนี้มันก็แต่ก็มันก็อดที่จะคิดไม่ได้เมื่อก่อนนี้ไม่ได้เป็นอย่างนี้การที่มาิีบเราใหม่ๆรู้สึกว่า <c oughs> ม า, มาช้า <c oughs> มาเย็นเ อ, อ <c oughs> มาได้ทํางนตอนนี้เดี๋ยวนี้ยังทําแบบเดิมไม่ได้ <c oughs> มันเขาก็จะอดคิดอย่างนั้นไม่ได้ส <c oughs> ่วนหนึ่งมันก็อยู่ที่ความรมของเรามันจะบอกว่า ครครัวไหนโชคดีมาด้วยกันเขาก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าคนหนึ่งมาอีกคนไม่ม า, มาเขาไม่ยอมเข้าใจนี่มันจะเป็นปัญหาก็บางทีก็ต้องเลือกบางทีก็ถ้าไม่อยากจะให้เขาเสียใจไม่อยากให้เขาทุกข์ก็ต้องต้องตามใจเขาแล้วก็ปฏิบัติที่บ้านตะแทงต่างเงินมาใครเขามาัากทำบวญเขาฝก็มาแทงแล้วก็เอาททปเอาแทงทดีๆแต่ฟังที่บ้านปฏิบัติที่บ้านแทง อย่างนั้นเขาก็ยังไม่พอใจอ่ะถ้าเรานั่งสมาธิอยู่ที่บ้านเด็กเขาก็จะเขาก็จะว่าเราอยู่นั่นี่มีคนที่มีข้ากลัวเขาก็บ่นให้ฟังเพราคนนี้เพราะคนนึงปฏิบัติหรืคนนีงไม่ปฏิบัตินี่มันก็มันก็เริ่มมีปัญหาแล้วก็อยู่ที่เราอเราจะทํายังไงเราจะเอาอะไรบางทีก็เขาวักกบวนพระพุทธเจ้าท่านก็ยังตัดได้ใช่ไหม กระโดดไปเลยไปเลยแต่ถ้าเราคิดว่าเรายังอยากจะรักษาน้ำใจรักษากิเลสเขาก็ก็เอาใจเขาไปก่อนคือว่าเราตกกระไดพอจนมาส้กเขาแล้วถ้านี้เราคิดผิดไปแล้วก็สิ่งที่เช่น <massacre> <Pump. sh arp et> ะก็รอไปจงกว่าเขาจะตายจากเราไป ไม่เขาเบื่อเขทิ่งเราไปที่เรื่องจริงถูกต้องว่าหน้าที่ก็ทำไปเรื่องรักษาใจเราเราก็ทำเราไปอย่างเงี้ยบางทีมนเราก็ต้องเตือนบ้างเหมือนกันนี่ต้องบอกว่าอยู่ในห้องมันยอมออกไปห้องข้องอย่างเนี้ยนะคนที่บ้าอจะบ่นวามันวันอยู่ห้องคนนอกนนนอนห้อ ง, อนนงมีแต่ทีวีปัญอย่างนี้ก็เป็นปัญหาการทำไม่ได้ไปสมยาแน่สามีแต่ว่าไม่มาชี ไม่ขีไม่ขีดกระซาดีเขายกย่องเราเนี่ยมันไม่ชีที่วมันหายตรงไหนหรอแย่เพาะว่ม่ขีไปเยค่ะต่อเราก็ต้องเป็นแม่ชีกันแบบนันเนเป็นแม่ชีแก้วไม่ดีเลยสก็ต้องเป็นแม่ชีกันงนั้นเนี่ยตองเป็นพระตอนที่อาตมาปฏิบัติก็ไม่คิดว่าจะมากรหัวบทเป็นพระรา ที่ว่านังมาที่เพื่อความสุขใจจะได้ทั้งความสุขทั้งโลกได้ทั้งความสุดทางงานจิตใจแต่พอมันปฏิบัติไปแล้วมันก็จะเห็นเว่ามันขัดกันมันไปด้วยกันไม่ได้พอถึงเวลานั้นโกนหัวก็มไม่รู้สึกเสียดายอะไรแต่ตอนนี้เสียดายผ ม, มนั่งจะตัดผมท่านหน่อยก็เสียดา ย, ย <c oughs> ไปผมยาวนี่ใครราบอกให้ตัดยังโกรธเลยขนาดพ่อบอกให้ตัดผมนี่ยังโกรกแต่พอถึงเวลามันจะบวดขึ้นมาเนี่มันไม่เสียดายเลยโกนไม่ได้ งั้ก็ต้องพยายามแล้ว้าต้องใจไว้แล้วก็ทำเท่าที่เราทาได้ไปก็แล้วกันเพราะการทรดีก็ไม่ต้องวันนี้เก็บกาขึ้นมองเลยที่มันใต้ใหญ่เลยทีมันต้องลง ้ทำไมเวลาอัานนี่มันมีหลายสปีแล้วกันบางทีก็ร้อยี่บางทีก็หกสิบี่คือบางทีใหญ่เสียงใช่ไหมมันต้องตปวีสตีด้วยเหรขาไปทอคอมพิวเตอร์ไ่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เปีสีเขาไปตัตัเป็นเสียงรบกวนไหมแต่สปีันเดินมันีทั้งรอยยี่บแปดหกสิบีาสิบสองอาจจะไม่ได้สังเกตดูถ้าถ้าสปีมันจำฟมันจะเล็ก ถ้สปีดอย่างรอยี่แปดนี้มันจะถี่เท่าของไฟสายสิบสองปกติถ้าถอยเวลาไลน์นี่จะไลน์แต่ไม่มีปัญหาละเพราเราเปลี่ยนเพราะเราเปลี่ยนได้มันมีโปรแกรมเปลี่ยนสปีดได้แีแล้วมีโปรแกรมปรับเสียงได้มีโปรแกรมตัดเสียงได้นนแต่นี่ก็ไป<ร>ใช้โปรแกรมรตัดต่อเหมือนกันบางที่เวลาไปไ ป, ไปทาตัดต่อเนี่ยมันมันมันตังสปีดได้ใหม่ เราที่เราไม่รู้ตัวเราไม่ได้ไปเช็คสปีดที่มันเราต้องเข้าไปดูว่าเราตั้งสปีดไว้เท่า ไ, ไหร่แต่คุวใหญ่ไฟที่ที่อาจจาะเครื่องนี้ไปรู้สึกจะเป็นนะ60กิโล60นี้รู้สึกวํากำลังจะพอดีพอดีมไม่ได้กินเนืวของครที่น่าใสมันกินนค่ที่น้อยกินที่น้อยถ้า1 2ก็สอา2เท่า128นี่จะใช้กับพวกเพลง โต้เพลงถ้าถ้าถ้าเสียงนี่บางทีไม่ถึงอ่ะ32ที่สองก็ใช้ได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะอู้ยไปหน่อย <c oughs> แต่ถ้าออกสิ่สี่นี้ก็รู้สึกว่าท่าแถวดี <c oughs> แทบ จ, จะเป็นดีฟอของเครื่องนะคะอ้าีฟเวลาเครื่องเครื่องที่เราอาัดก็เป็นดีฟออย่างหนึ่ง แล้วเวลาเราเอาเอาเอาฟานนี่ไปต่อต่อมันก็มีดีฟอ์อยู่ในนั่นเองทีเราต้องเข้าไปดูเราต้องไปดูที่เพราบางทีจะตัดออกอย่าช่วงที่มันเสียงรบกวนมากๆจะตัดออกแล้วก็ช่วงไหนที่เสียงเบามากๆก็จะขยายเสียงเพราะเพราะวอตัดออเสร็จมันจะเซฟใหม่เซฟใหม่มันก็จะมีสติที่เราตั้งไว้ในนั้นเราไปดูว่าเสีที่เสีเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรละเพราะว่าเราถ้าเราเราก็มีเราก็มีโปรแกรมอย่างที่การที่แล้วมันร้อยี่ มันน้อย2ี่แปแล้วก็ร่อนลงในห้องสิบสี่